ทางนี้มาจากที่ไหนกันมาจากกรุงเทพค่ะหลวงพ่อนเ พ, พิ่งมาข้างแรกเลเพิ่งมาครั้งแรกค่ ะ, ะมาไกลทำไมถึงมากัน <c oughs> ไปติดตามทางเฟซบุ๊กหรือย b ทูบเหรอตามเฟซบุกค่ ะ, ะติดตามช่วงไหนช่วงถ่ายทอดสดหรือว่าดูย้อนหลังช่วงถ่ายทอดสด่ทอดส ด, ด, สดล้นมีเวลาก็ดีเอเป็นยังไง มีประโยชน์ไหมมีค่ะอ่าไปเอาไปทำอะไรได้บ้างเปิดเปิดอยู่พอดีช่วงบ่ายสองจะทำงานอยู่ด้วยช่วงทำงานก็เปิดให้เพื่อนๆลนที่ทำงานฟังด้วยค่ะอ่าอือแลเอาไปใช้ประโยชน์ได้บ้างรึ่ามีค่ะฝึกอ่าฝึกสมาธิค่ะอ๋ออือฟังแล้วต้องเอาไปปฏิบัตินะอ่า ถ้าฟังแล้วไม่ปฏิบัติก็จะไม่ได้ไประโยชน์ได้ก็ น, น้อยเหมือนเหมือนเราไปร้านอาหารแล้วเราไปดูรายการอาหารเนี่ยแต่เราไม่สั่งอาหารมารับประทานมันก็ยังไม่เกิดประโยชน์ดูรายการอาหารดู ร, าา ร, าาร้รานนี้มีละมีอาหารอะไรขายอยู่แต่ไม่สั่งมารับประทานก็จะไม่ได้รับประทานอาหาร ธรรมะของพระเจ้าก็เป็นเหมือนรายการอาหารธรรมะที่เราอ่านที่เราได้ยินเนี่ยเป็นรายการอาหารชนิดต่างๆอาหารคืออาหารของใจใจก็ต้องการอาหารเหมือนกับร่างกายร่างกายต้องการอาหารใจก็ต้องการอาหารอาหารของใจก็คือธรรมะของพระพุทเจ้า ธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติเราก็จะได้รับอาหารใจของเราได้รับอาหารทุกวันนี้ใจของเราไม่เคยได้รับอาหารกันเพราะเราไม่ค่อยได้ปฏิบัติปฏิบัติบ้างแต่ยังไม่มากพอ จึงทำให้ใจเรายังหิวอยู่หิวกับเรื่องต่างๆสิ่งต่างๆเรายังหิวกับลาบยศสารเสรยยังอยากได้เงินกันใช่ไหมความอยากได้เงินนี่ก็เป็นความหิวของใจความอยากได้ยศก็เป็นความหิวของใจความอยากได้สรรเสรยอยากได้นางวัน ทำทำความดีแล้วต้องรับต้องได้รางวัลอยากได้รางวัล น, นารการเชิดชูยกย่องสรรเส ร, ริญแล้วก็ยังอยากมีความสุขทางตาหูจมูก น, นิ้วกายยังอยากสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผธพระชนิดต่างๆนี่คือความหิวของใจ เนื่องจากเรายัางไม่ได้อาหารกับใจมากพอถ้าเราให้อาหารกับใจได้มากแล้วใจก็จะไม่หิวธรรมะชนิดไหนที่ให้อาหารกับใจได้อย่างเต็มที่ก็คือการนั่งสมาธินี่แหละการทำใจให้สงบ ถ้าเราทำใจให้สงบได้ใจเราจะอิ่มจะไม่หิวกับลาบยศสารเสริญจะไม่หิวกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่เรายังหิวก็อยู่เพราะเรายังทำใจให้สงบได้ไม่มากยังต้องหาเงินอยู่หาเงินเพื่อที่จะได้ออกไปซื้อรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ ซื้อกระเป๋านี่ก็ซื้อซื้อรูปของกระเป๋าซื้อกลิ่นของกระเป๋าซื้อการสัมผัสกับกระเป๋าไปนั้นอซื้อรองเท้าซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรต่างๆเหล่านี้ก็เพื่อเพราะความหิวของใจคือการซื้อนี่ก็ซื้อได้สองแบบซื้อเพราะความจําเป็นต้องซื้อ กับซื้อเพราะความอยากซื้อซื้อเพราะความจำเป็นนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นเพราะความหิวของใจแต่เป็นเพราะความจำเป็นของร่างกายเช่นถ้าเราไม่มีเสื้อผ้าเลยเราก็ต้องซื้อเสื้อผ้ามาใส่อันนี้ซื้อด้วยกความจาเป็นแต่ถ้าเรามีเสื้อผ้าพอแล้วแล้วเรายังอยากจะซื้ออีกเวลาเราเดินไปเที่ยว ตามห้างตามร้านเห็นเขาว่าเอาเสื้อผ้ามาโชว์เห็นแล้วก็อยากได้ทั้งที่เสื้อผ้าเราก็มีพอใส่แล้วถ้าอย่างนี้ก็เป็นความอยากเป็นความหิวของใจถ้าเราอยากจะรู้ว่าใจเราหิวหรือหรือใจเราไม่หิวก็ดูที่ความจำเป็นเป็นหลักของไหนถ้ามันจำเป็น เราต้องมีถ้าไม่มีแล้วร่างกายต้องตายอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นของจาเป็นเช่นไม่มีอาหารรับประทานก็ต้องรับประทานอาหารต้องหาอาหารมารับประทานให้กับร่างกายแต่ถ้ารับประทานพอแล้วน้ำหนักเกินแล้วอย่างนี้ถ้าถ้าอยากจะรับประทานอีกก็เป็นความหิวของใจ ไม่ใช่เป็นความหิวของร่างกายนี่คือตัวอย่างถ้าเรายังอยากหาความสุขจากการกินอยู่ทั้งๆ ท, ที่ร่างกายบอกพอแล้วน้ําหนักเกินแล้วจะอ้วนแล้วจะเป็นตุ่มแล้วถ้ายังกินอยู่นี่ก็แสดงว่ากินเพราะความหิวของใจไม่ได้กินเพราะความหิวของร่างกาย เพราะร่างกายมันน้ำหนักเกินแล้วมันบอกแล้วว่ามันไม่ได้หิวที่หิวเพราะใจใจหิวเพราะอะไรหิวเพราะใจไม่สงบงั้นสมมติว่าถ้าตอนนี้ร่างกายเรามีน้ำหนักเกินแล้วแล้วอยากจะกินเนี่ยเราก็ เราต้องให้อาหารใจไม่ใช่ห้าให้อาหารกับร่างกายผู้ที่หิวไม่ใช่ร่างกายเพราะร่างกายมีอาหารมากเกินไปแล้วอ้วนแล้วเวลาหิวอาหารต้องให้อาหารกับใจก็คือไปทําความสงบไปนั่งสมาธิถ้านั่งสมาธิได้พอใจสงบจะหายหิว นีคือวิธีที่เราจะลดน้ำหนักที่เกินของร่างกายได้เราต้องใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้ามาแก้กปัญหาไม่ใช่เวลาใจอยากจะกินก็กินโดยที่ไม่ดูว่าร่างกายนี้พอหรือ ย, อยังถ้าร่างกายมีน้ำหนักเกินม า, มาตรฐานเกินเกณฑ์แสดงว่าร่างกายนี้ มีอาหารพอแล้วเราต้องหยุดกินก่อนรอให้มันต่ำกว่ามาตรฐานก่อนเช่นคนเราปกตินี่ถ้ากินผู้หญิงนี่กี่กิโลห้าสิบใช่ไหม ถ, ถ้าถึงห้าสิบแล้วก็อย่าให้มันเกินห้าสิบถ้าเวลาเกินเราก็ต้องหยุดกินเวลาอยากกินก็อย่าไปกินดูไปชั่งน้ำหนักดูก่อน หรือว่าตอนนี้มันร่างกายต้องการหรือใจต้องการถ้าเราไม่ชั่งน้ำหนักเราจะไม่รู้ว่าความหิวนี้เป็นความหิวของร่างกายหรือเป็นความหิวของใจแล้วเราจะให้อาหารผิดคนเขาจะรับาใจหิวแต่ไปให้อาหารกับร่างกายให้ผิดคนร่างกายมันก็เลยอ้วนเอาอ้วนเอาเจิตเป็นก็ผอมเอาผอมเอา จิตก็หิวมากขึ้นหิวมากขึ้นเลยๆ น, นี่คือวิธีใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเราต้องรู้ว่าน้ำหนักของเราความสูงของเราขนาดนี้เราต้องมีน้ำหนักเท่าไหร่ถ้าไม่รู้ไปถามหมอก็ได้หมอทุกคนเขารู้ว่าคนสูงร้อยห้าสิบร้อยหกสิบน้ำหนักประมาณเท่าไหร่ซึ่งก็คิดว่าเขาเอาร้อยมาลบเนาะ คนที่สูงร้อยห้าสิบก็เอาร้อยมาลบก็ห้าสิบร้อยกิโลหะลบลบร้อยห้าสิบก็เหลือห้าสิบใช่ไหมพยาบาล <Okay. S 1> คนสูงไม่ห้าสิบก็คนสูงเซนเซลบด้วยร้อยถร้อยจิตค่ะอ่าใช่ไหมตอนนี้เราลองไปชั่งน้ำหนักดูแล้วไปวัดความสูงของเราดูตอนนี้เราสูงเท่าไหร่ถ้าเราสูงไม่ห้าสิบ แล้วน้ำหนักเรา48นี้กินได้เลยเออกินได้2กิโลออแต่ถ้ามัน52ก็อย่าเพิ่งกินเราให้มันลงมาต่ำกว่า50ก่อนแล้วค่อยกินถ้ามันหิวก็ดื่มน้ำไปก่อนก็แล้วกันออดื่มน้ำไปรับรองไม่ตาย อ, อ, อดข้าวมื้อสองมื้อเดี๋ยวมันก็ลงมาแล้ว กินอาหารมื่อหนึ่งเงี้ยน้อยกิโลสองกิโลขึ้นละเชื่อไหมไม่เชื่อลองลองไปชั่งน้ําหนักดูเลยก่อนกินกับหลังกินดูจะเห็นเลยว่าเราเพิ่มน้ําหนักเข้าไปเท่าไหร่อันนี้ไม่ได้พูดได้นนะพูดจริงเพราะว่าเรากําลังป้อนผิดคนเพราั้นเรามีสองคนเรามีฝาแฝดเรามีแฝดพี่กับแฝดน้องแต่เรามักจะไปป้อนแฝดน้องไม่ไป ป้อนแสบพี่แสบพี่ก็เลยหิวอยู่เรื่อยๆหิวแล้วก็ทุกอยู่เรื่อยๆอันนี้คือวิธีที่จะรู้ว่าเรากําลังควรจะป้อนใครใครกําลังขาดอะไรต้องดูที่การชั่งน้ําหนักถ้าเป็นเรื่องอาหารก็ดูที่ชั่งน้ําหนักถ้าเสื้อผ้าก็ดูว่าเราต้องมีกี่ชุดถึงจะพอชุดทํางานกี่ชุดชุดนอนกี่ชุด ชุดเที่ยวกี่ชุดเรามาเรามาคำนวณดูชุดทำงานสามชุดมันต้องมีซักมีมีเก็บสำรองชุดเที่ยวสามชุดชุดนอนสามชุดชุดสบายสบายอีกสามชุดเอาให้ทั้งหมดประมาณสิบสิบสองสิบห้าชุดก็พอถ้ามีถึงสิบห้าชุดแล้วก็พอแล้วไม่ชาย ถ้าอยากจะซื้อใหม่ต้องรอให้ของเก่ามันเสียก่อนใส่ไม่ได้ก่อนอย่างนี้ถึงจะซื้อซื้อเสื้อผ้าให้กับร่างกายแต่ถ้าซื้อเสื้อผ้าให้กับใจนี่เดินไปที่ร้านเห็นชุดไหนสวยก็อยากได้เนี่ยอันนี้แหละแสดงว่าเราใจกําลังหิวนลวหิวเสื้อผ้าแต่ใจไม่แต่เสื้อผ้าไม่ใช่เป็นอาหารของใจอาหารของใจก็คือ ธรรมะถ้าเราจะนั่งนั่งสมาธิไม่ได้ก็ทำทานไปก่อนก็ได้ทานก็ทำให้ใจเราอิ่ได้เหมือนกันแต่อิ่มน้อยกว่าการนั่งสมาธิทำไงทำทานก็เวลาที่เราอยากจะซื้อผ้าที่เราไม่ต้องซื้อก็ซื้อแล้วเอาไปให้คนอื่นก็ได้ทำทานอยากชอบชุดนี้หรือซื้อไปเลยแล้วก็เอาไปให้เพื่อน วันเกิดของเพื่อนหรือวันเกิดของใครหรือเห็นคนขอทานไม่มีเสื้อผ้าใส่ก็ซื้อให้เขาใส่ไปอย่างนี้ก็จะทำให้ใจเราอิ่มแล้วจะทำให้เราไม่อยากซื้อเชื่อไหมถ้าซื้ออย่างนี้บ่อยๆต่อไปไม่อยากไม่ซื้อหรอกถ้าซื้อให้คนอื่นแล้วรับรองได้ต่อไปไม่อยากจะซื้อแล้วเราจะสบายเสื้อผ้าจะได้ไม่มากของมันจะได้ไม่มากน้นบ้าน มีของมากก็ต้องดูแลพรวงพลังไปกับข้าวของอันนี้ื็เรื่องเสื้อผ้านะต่อไปนี้เราไปนั่งคำนวณดูว่าต้องมีเสื้อผ้ากี่ชุดชุดทำงานชุดเที่ยวชุดพักผ่อนชุดนอนชุดเล่นอาห้าชุดนี้ก็พอเผื่อชุดงานศพสักชุดสองชุด ชุดงานแต่งงานชุดสองชุดพอมีพอแล้วก็อย่าซื้อถ้าอยากซื้อนี่แสดงว่าใจหิวถ้าอยากจะให้ใจอิ่มก็ต้องเอาเงินที่จะซื้อเสื้อผ้าเนี้ยไปทำบุญกันแล้วกันเอาไปให้ใครก็ได้หรือจะอยากซื้อเสื้อผ้าชุดที่เราเห็นในร้านก็ซื้อได้ซื้อแล้วแต่อย่ากเก็บไว้ให้กับเราเอง ซื้อแล้วเอาไปให้เพื่อนเราจะได้มีเพื่อนเพื่อนเราจะได้รักเราถ้าเราซื้อเสื้อผ้าสวยๆให้เพื่อนเราใส่รับรองได้เขาจะรักเรา<ม>เขาจะเป็นเพื่อนกับเราอ่<ม>นี่ก็คือวิธีดูว่าใครต้องการเสื้อผ้ากันแนะ่ร่างกายหรือใจถ้าร่างกายเราก็ดูเหตุผลว่ามันต้องการ มีกี่ชุดจำเป็นต้องมีกี่ชุดส่วนที่อยู่อาศัยก็เหมือนกันที่อยู่อาศัยเราจำเป็นจะต้องมีที่อยู่อาศัยราคาเป็นสิบล้านยี่สิบล้านหรือเปล่าที่อยู่อาศัยมีไว้ทำไมก็มีไว้หลบแดดหลบฝนป้องกันภัยทางร่างกาย ซื้อก็ได้เช่าก็ได้ถ้าไม่มีเงินซื้อก็เช่าก็ได้เช่าห้องพักเดือนละสามพันสองพันก็อยู่ได้นะไม่เห็นจำเป็นจะต้องไปเสียเงินทองมากมายเพื่อที่จะไปซื้อบ้านมาอยู่เลยถ้าไม่มีปัญญาก็อย่าไปเหนื่อยกับการหาเงินทองมาซื้อของที่เราสามารถที่จะใช้เงินน้อยๆแทนได้ แทนที่จะต้องไปมีเงินล้านซื้อบ้านซื้อคอนโดไปเช่าบ้านอยู่ก็ได้ห้องพักอยู่ก็ได้อพาร์ทเมนต์อยู่ก็ได้เดือนละสามพันสองพันสามพันก็อยู่ได้แล้วใจเราจะได้ไม่ต้องนินรนไม่ต้องเหนื่อยยากไม่ใช่อะไรหรอกการหาเงินมันดีที่ไหนกว่าจะหาเงินบ้านล้สักบาทหนึ่งมันเหน็บมันเหนือ่อยแต่เวลาใช้นี้มันปั๊บเดียว ก่อจะได้เงินมาสักก้อนนึงพอได้มาแล้วก็เอาไปใช้ปั๊บเดียวก็หมดแล้วไม่ได้ว่าใช้แล้วจะทำให้ใจเราอิ่มนะมันก็ไม่อิ่มนะครับเพราะมันไม่ได้เป็นอาหารของใจมันไม่ได้ทำให้ใจอิ่มการใช้เงินที่จะทำให้ใจอิ่มนี่ต้องใช้ด้วยการทำบุญทำทานถ้าเราเอาเงินนี้ไปทำบุญทำทานมันจะทำให้ใจเราอิ่มอิ่ม เพราะการทำบุญทำทานนี่เป็นอาหารของใจแต่าการซื้อของที่ไม่จำเป็นมานี่ไม่ได้ทาให้ใจเราอิ่มแต่ยังทำให้ใจเราหิวอยู่เราก็จะซื้ออยู่เรื่อยๆรือยอยากซื้อของไม่จำเป็นต่างๆที่ไม่ต้องมีเช่นของเครื่องประดับอะไรต่างๆนี้แหวนเอวยตุ้มหูเอยสร้อยเอวย นาฬิกาก็มีเรือนเดียวก็พออย่ามีเหมือนคนบางคนมีต้องยี่สิบสามสิบเรือนเวลาใส่ก็ใส่ที่ละเรือนเท่านั้นเน่ยความจริงถ้าเก่งจริงเอามาใส่มันทั้งหมดเลยดูเลยแล้วดูว่าเขาจะว่าบ้าหรือเปล่านาฬิกากี่เรือนมันก็บอกเวลาเดียวกันไม่ใช่เหรอใช่ไหมเรามาใส่สักสิบเรือนที่แขนดูเลยแล้วดูใว่าเวลามันจะต่างกันไหม มันก็บอกเวลาดีกันนันะทำไมจะต้องมีเวลามีนาฬิกาต้องเป็นสิบเรือนทำไมนี่แหละใจหิวแต่ไม่ได้ให้อาหารกับใจเคว่าซื้อนาฬิกามาอีกเรือนแล้วจะทำให้ใจอิ่มเหระไม่อิ่มหรอกพอได้เรือนที่สองแล้วเดี๋ยวก็อยากพอเห็นเรือนที่สามก็อยากได้นะตอนนี้เรือนที่ย5ห้าแล้วเนี่เดี๋ยวก็ เดี๋ยวจะไม่ยิบยิบเจ็ดตามมาหเปล่าคอยดูอนี่แหละพูดความจริงให้ฟังเนี่ยไม่ใช่พูดแบบเล่นๆ น, นะพูดจริงๆเนี่ยใจหิวแต่ไม่ได้ให้อาหารกับใจถ้าเอาเงินที่จะซื้อนาฬิกาเนี่ยไปทำบุญดูเลยแล้วรับรองได้ว่าจะไม่ซื้อนาฬิกามากกว่าหนึ่งเดือนะมีหนึ่งเดือนก็พอไปทำบุญแล้วใจก็จะอิ่ม ใจจะมีความสุขอย่าไปซื้อของฟุ่มเฟือยของไม่จาเป็นเครื่องประดับอะไรต่างๆไม่มีมันตายไหมไม่ตายใช่ไห้แล้วความสวยงามของคนเรานี่มันสวยที่เครื่องประดับเนะี่ยสวยที่เครื่องสําอางเลยความสวยงามของคนเราอยู่ที่ไหนรู้เปล่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ความซื่อสัตย์สุจริต อยู่ที่กวามมีศีลมีธรรมนี่คือเครื่องประดับของใจของคนเราคนเราไม่ได้สวยที่เครื่องสมอางไม่ได้สวยที่เครื่องประดับหรอกเราให้แต่งตัวสวยเหมือนนางงามจักรวาลแต่ถ้าเป็นคนโตโกหกตอนแล้วมีใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วยหรือเปล่าถ้าคบกับเพื่อนที่เขาโกหกตอนแล้ว หลอกเราอยู่เรื่อยๆนี่เราอยากจะคบกับเขาปะ mm hmm. นั่นแหละความสวยงามอยู่ที่ความซื่อสัตย์ซื่อตรงอ mm hmm. พูดคําไหนก็เป็นคํานั้น mm hmm. แล้วก็ไม่ชอบโกงซ mm hmm. ื่อสัตย์สุดใจเนลยชอบอยู่กับคนชอบโกงหรือชอบอยู่กับคนไม่ชอบโกง mm hmm. คบค้ากับคนชอบโกงเดี๋ยวเขาก็หลอกเขาก็โกงเราหมดเไม่หมดตัว นี่ก็ถ้าอยากจะสวยพระพุทธเจ้าบอกว่าให้สวยด้วยการมีศีลศักดิ์มีความซื่อสัตย์นะสัตย์ก็คือไม่โกหกหลอกลวงไม่ตอแหลไม่ตลกตะแหลงซื่อตรงซื่อสัตย์สุจริตไม่ชอบโกงคือสรุปก็คือให้มีศีลห้าอยาศีลห้านี่ก็เป็น เป็นอาหารของใจหรือจะเรียกว่าเป็นเสื้อผ้าอภรรตของใจก็ได้คนที่มีศีลนี่จะมีความสุขคนที่ไม่มีศีลจะมีความไม่สบายใจลองสังเกตดูเวลาเราโกหกเพื่อนโกหกเจ้านายหรือโกหกใครเราสบายใจไหมเวลาเราขโมยของคนอื่นมาเราสบายใจไหม เวลาเราไปฆ่าสัตว์นี่เราสบายใจนะเลยเวลาไปพืชประพฤติผิดประเวณีเป็นชู้กับคนอื่นนี่มีความสบายใจหรือเปล่า mm hmm. ไม่มีหรอกมีแต่ความวุ่นวายใจไม่สบายใจนี่แหละถ้าอยากให้ใจเรามีความสุขนะต้องมีศีลรักษาศีลห้าให้ได้แล้วใจเราจะมีความสุข แล้วใจแล้วเราจะเป็นคนหน้ารักเป็นคนสวยงามดูพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านหน้าตาไม่ ห, หล่อกนหัวหัวโลนแต่คนกลับรักพระพุทธเจ้ามากเพราะพระพุทธเจ้าเป็นคนที่ซื่อสัตย์มีสีงคำพูดของพระพุทธเจ้าทุกคำพูดในพระไตรปิฎกเนี่ยมีต้องแปดหมื่นสี่พันบท เป็นคำจริงเท่านั้นไม่ได้พูดโกหกแม้แต่คำเดียวสามารถเราไปพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริงเราจรึงเชื่อพระพุทธเจ้ารักพระพุทธเจ้าเราเชื่อพระสงฆ์องค์เจ้าเรารักพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งทั้ง ท, งที่หน้าตาของท่านหัวโลนๆไม่มีเครื่องประดับไม่มีเครื่องสำอาง ไม่ได้ทาคิ้วไม่ได้ทาปากไม่มีแหวนเพชรไม่มีนาฬิกาเพชรใสแต่เรากลับรักพระสงฆ์องค์เจ้า<ม>เชื่อศรัทธาในพระสงฆ์องค์เจ้า<ม>ก็เพราะว่าท่านสวยด้วยใจสวยด้วยศีลและธรรมถ้าเราอยากจะสวยด้วยศีลและธรรมสวยขอให้สวยด้วยศีลและธรรมอย่าไปซื้อเครื่องประดับอะไรต่างๆมา ใส่มันไม่ได้ทำให้เราสวยจริงสวยปลอมอาจจะหลอกคนที่ตาบอดได้หลอกคนที่โง่ได้คนที่มองดูความสวยงามของคนไม่เป็นคนที่เขามองความสวยงามของคนเป็นก็ไม่ดูที่เครื่องประดับก็ดูที่ความประพฤติว่าประพฤติดีหรือประพฤติไม่ดีทำบาปหรือไม่ทำบาป ทำบุญหรือไม่ทำบุญนอกจากรักษาศีลแล้วถ้าเราทำบุญด้วยโอ้ยเรายิ่งสวยงามกว่าสวยงามสองเท่าการทำบุญนี่จะทำให้เราเป็นคนที่น่ารักมา ก, ก, มะาาะ จ, ากจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายคนที่ทำบุญเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ไไหนจะมีคนรักคอยคุ้มครองเรามีคนรักคนชอบเราเวลาเดือดร้อนจะมีคนมาช่วยเหลือเราจะไม่มีใครมาทำร้ายเราดัางนั้นเวลาเราอยากจะสวยทางร่างกายเราก็เอาธรรมะของพระเจ้ามามาแก้ดีกว่าแทนที่จะเอาเงินไปซื้อเครื่องประดับซื้อเครื่องสมอางเอาไปทําบุญ แล้วก็รักษาศีลรักษาศีลห้าแล้วก็ทาบุญแล้วเราจะเป็นคนที่น่ารักมากนี่คือสิ่งที่ใจของพวกเราขาดกันเราไม่รู้ว่าใจของเราก็ต้องการธรรมะต้องการความสุขเหมือนกับร่างกายแต่เรามัวแต่หาความสุขให้แต่ร่างกาย จนลืมหาความสุขหาอาหารให้กับใจใจของเราก็เลยวุ่นวายใจของเราเลยทุกข์พะเวลาหาความสุขให้กับร่างกายบางทีก็ทาให้ใจต้องไปทำบาปเช่นเราอยากจะซื้อของต่างๆถ้าเงินเราไม่พอซื้อนังทีเราก็ต้องไปข้โมงเงินของคนอื่นมาซื้อ หรือไปช่อโกงทำงานก็โกงทำอะไรก็โกงเพื่อที่เราจะได้เงินมามากๆได้เงินมาง่ายๆเพื่อจะได้เอาเงินไปซื้อของที่เราอยากซื้อให้กับร่างกายซื้อเสื้อผ้าซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าซื้อเครื่องสำอางซื้อเครื่องประดับ ประดับร่างกายแล้วไม่พอยังต้องซื้อเครื่องประดับบ้านอีกต้องมีอะไรอยู่ในบ้านเต็มไปหมดลกดุงลังแต่การหาเงินมาซื้อนี่ถ้าเราหาโดยวิธีที่ไม่ทำบาปไม่ได้เราก็จะไปทำบาปกันก็จะทำให้เราไม่สวยงามทางจิตใจคนที่ทำบาปคือคนชอบโกงคนลักทรัพย์ี่ย ก็จะเป็นคนที่น่ารังเกียจแล้วก็ถ้าถูกเข้าจับได้ก็จะต้องถูกไปลงจับไปลงโทษอีกอาจจะต้องไปถูกกักขังอยู่ในคุกในตารางอีกนี่คือการไม่รู้จักดูแลใจของเรา มัวแต่ไปดูแลร่างกายที่ไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้ร่างกายนี้ต้องการเพียงปัจจัยสี่ก็พอแล้วต้องการอาหารต้องการเครื่องนุ่งหง่มพอประมาณไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปที่อยู่อาศัยพอหลบแดดหลบฝนพอหลบภัยได้ก็พออย่ารักษาโรคไว้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วย นี่คือสิ่งที่จำเป็นสิ่งที่เราจะต้องหาให้กับร่างกายแต่สิ่งอื่นนี้ไม่ควรจะหาให้เพราะมันเป็นความหิวของใจแล้วความหิวของใจนี่ต้องให้ธรรมะเช่นอยากจะเอาเงินไปซื้อของที่ไม่จำเป็นก็เอาเงินไปทำบุญหรือซื้อของที่จาเป็นไปแจกจ่ายคนที่เขาขาดแคลน เเวลามีน้ำท่วมไฟไหม้เราก็บริจาคเงินเพื่อให้ไปซื้ออาหารซื้อเสื้อผ้าซื้อของจำเป็นให้คนที่เขาเดือดร้อนไว้ได้ใช้จ่ายทำอย่างนี้แล้วใจของเราจะอิ่มใจของเราจะมีความสุขเราจะทำให้ใจของเราไม่ต้องไปทำบาต เพราะว่าการทำบุญนี้จะไม่ทำให้เร า, าต้องไปหาเงินมาโดยวิธีทำบาปเพราะทำบุญแล้วใจอิ่มมีความสุขถ้าไม่มีเงินจะทำก็หยุดทำได้ไม่จำเป็นที่จะต้องไปขโมยเงินมาทำแต่ถ้าเอาเงินไปซื้อของที่เราอยากซื้อนพอเงินหมดแล้วความอยากซื้อมันยังไม่หมด มันก็จะทำให้เราไปขโมยเงินเพื่อที่เราจะได้มาซื้อซื้ออีกคนติดยาเสพติดเนี่ยพอเงินหมดก็ไปขโม ย, ยที่วัดเนี้ยถูกขโมยมาขโมยเงินอยู่เรื่อยๆพอจับก็รู้ว่าเป็นพวกติดยาเพราะเวลาติดยาแล้วมันอยากอยู่เรื่อยๆความอยากมันไม่หมดไปกับเวลาที่เราเสพยาเสพปับ๊บความอยาก ก็กลับมาใหม่พออยากแล้วไม่ได้เสพก็ทุกข์ทรมานใจต้องไปขโมยเงินเพื่อที่จะได้มาซื้อยาเสพอีกแต่การทาบุญนี้จะไม่ได้ทำให้เราติดการทาบุญทาบุญถ้าไม่มีเงินทำเราก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรเพราะการทาบุญนี้ทำให้ใจเราอิ่มใจเราสุขใจเราพอ แม้แต่การอยากทำบุญก็ไม่มีแต่จะทำต่อเมื่อมือเงินเกินหรือมีเงินเราจะเอาไปใช้ซื้อของตามความอยากของใจอันนี้ก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้าสรุปก็คือมีอยู่สามระดับด้วยกันที่จะทำให้ใจของเราอิ่มใจของเราสุขก็คือ การทำทานทำบุญทำทานเวลามีเงินจะไปซื้อของไม่จำเป็นอของฟุ่มเฟือยอของที่เป็นโทษกับร่างกายเช่อนอาหารเนี่ยถ้าร่างกายมีอาหารพอแล้วแล้วยังไปซื้อมากินอีกเนี่ยมันจะเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณเพราะน้ำหนักจะเกินพอน้าหนักเกินรูปร่างก็ไม่สวยแล้วเสียหุ่นนะแล้วก็ จะเริ่มมีโลกภัยไข้เจ็บเบียดเบียนน้ำตาลจะขึ้นเบาหวานจะขึ้นความดันจะขึ้นไขมันจะขึ้นโลกหัวใจจะตามมาต่อไปอาจจะเป็นอมตะพึกอรมาาพาไขมันอุดตันในสมองมีการใช้เงินที่เป็นภัยกับร่างกาย คือให้ร่างกายให้อาหารกับร่างกายมากเกินไปเห็นทุกครั้งจะรับประทานต้องชั่งน้ําหนักก่อนดูว่าร่างกายนี้มีอาหารพอหรือ ย, ยังตัวน้ําหนักมันจะบอกเองน้ําหนักมันบอกว่ามีอาหารพอหรือ ย, ยังถ้าพอแล้วก็อยากกินดื่มน้ําไปก็แล้วกันดื่มน้ําได้ไม่เป็นอันตรายถ้าร่างกายหิวก็ดื่มน้ําไปอาหารไม่รอให้น้ําหนักมันลดก่อน ให้มันลดต่ํากว่าเกณฑ์แล้วค่อยกินแทนเกณฑ์ของเราห้าสิบถ้ามันห้าสิบสองก็อย่าเพิ่งไปกินดื่มน้ําไปก่อนรอให้มันต่ํากว่าห้าสิบแล้วค่อยแล้วค่อยมากินอย่างนี้ก็จะไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายชีวิตจะยืนยาวนานร่างกายก็จะมีรูปร่างมีหุพลจะไม่เป็นตุ่มกัน แล้วภัยไข้เจ็บก็จะไม่เบียดเบียนแล้วก็จะได้เอาเงินไปทําบุญทําบุญแล้วใจก็จะมีความสุขมีความอิ่มเพราะใจต้องการบุญใจไม่ต้องการอาหารร่างกายก็ไม่ต้องการอาหารแล้วทาไมให้ให้ให้ให้กินอาหารทําไมไหนเมื่อร่างกายก็ไม่ต้องการเพราะน้ําหนักก็เกิดแล้วใจก็ไม่ต้องการอาหาร ใจหิวแต่อาหารของใจไม่ใช่ที่อาหารอาหารของใจก็คือบุญเราต้องทำบุญต้องรักษาศีลต้องนั่งสมาธิเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยสามอย่างเนี่ยใช้แทนกันได้ถ้าถ้านั่งสมาธิไม่ได้ก็รักษาศีลรักษาศีลไม่ได้ก็ทำบุญไปก่อนทำทานไปก่อน นี่คือธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เราฟังกันที่เราศึกษากันเมื่อฟังแล้วเราต้องนำเอาไปปฏิบัติถึงจะเกิดผลขึ้นมาถ้าฟังแล้วไม่ปฏิบัติมันก็จะเกิดผลน้อยเกิดเฉพาะตอนที่เราฟังเวลาฟังแล้วเราเข้าใจเราก็มีความสุขใจอิ่มใจพอเราเลิกฟังปั๊บเดี๋ยวความอยากทางใจเกิดขึ้นมา ความสุขทางใจก็หายไปความอิ่มทางใจก็หายไปเพราะความอยากมันจะทำให้ใจเราหิวขึ้นมาแล้วถ้าเราไปทาตามความอยากแทนที่จะทำให้ใจอิ่มมันก็ไม่อิ่มอีกใจมันก็หิวอีกอยากอีกวิธีที่จะทำให้ใจไม่หิวไม่อยากก็คือต้องไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบพอใจสงบแล้ว ความอยากความหิวมันก็จะนังงบไปนี่คือการให้อาหารใจให้ความสุขกับใจต้องให้ด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าเรายัางนั่งสมาธิไม่ได้เราก็ให้อาหารด้วยการรักษาศีลไปก่อนรักษาศีลห้ารักษาศีลห้าได้ก็ทำให้ใจเรา เย็นสบายแล้วถ้าทำทานได้ก็จะทำให้ใจเรามีความอิ่มแต่จะอิ่มน้อยกว่าสมาธิแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรให้ใจเลยอย่าไปซื้อของไม่จำเป็นซื้อเสื้อผ้าอีกชุดหนึ่งเวลาไม่สบายใจบางทีก็คิดว่าไปซื้อเสื้อผ้ามาสักชุดแล้วสบายใจก็สบายใจเดี๋ยวเดียว แต่เรื่องที่ทำให้เราไม่สบายใจเดี๋ยวมันก็กลับมาหาเราใหม่วิธีที่จะทำให้มันไม่หายความไม่สบายหายไปก็คือถ้าไปด้านสมาธิถ้ า, านั่งสมาธิใจสงบความไม่สบายใจกับเรื่องต่างๆก็จะสงบไปชั่วคราวแต่ออกจากสมาธิมาเดี๋ยวกลับไปเจอเรื่องเก่าๆ ก, ก็ทำให้เราไม่สบายใจขึ้นมาใหม่ได้ แต่เราอยากจะให้ความไม่สบายใจหายไปอย่างถาวรพระพุทตเจ้าก็สอนให้เราใช้ธรรมะอีกขั้นหนึ่งก็คือปัญญาให้เรามองเรื่องที่ทำให้เราไม่สบายใจว่ามันเป็นอะไรมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับได้หรือเปล่าเช่นเราไม่สบายใจกับลูกเมื่อวานนี้มีโยมคนหนึ่งมา ไม่สบายใจมเาเล่าให้ฟังลูกติดยาเสพติดแม่ก็ไม่สบายใจก็ต้องพิจารณาดูว่าแล้วการติดยาของลูกนี้เราไปห้ามเขาได้หรือเปล่ปาเราไปหยุดได้หรือเปล่ปาถ้าเราหยุดไม่ได้เราก็ทุกไปเปล่าๆแล้วความทุกของเราเกิดจากอะไรก็เกิดจากความอยากของเราใช่ไหมอยากให้แล้ว อยากให้ลูกไม่ติดยาเสพติดแต่ลูกไปติดยาเสพติดแล้วจะทำยังไงถ้าจับลูกไปขังในกรงได้ก็ทำไปลูกจะได้เลิกติดยาได้ให้มันดิ้นอยู่ภักหนึ่งแล้วเดี๋ยวพอฤทธิ์ของความอยากยามันหวดมันก็จะหายดิ้นเองมันก็จะสงบเองแต่ถ้าทำไม่ได้บังคับเขาไม่ได้ควบคุมเขาไม่ได้ ก็ต้องปล่อยเขาไปถ้าอยากให้เขาไม่ไม่ติดก็จะทุกข์ไปเรื่อยๆเพราะก็เขาก็จะติดของเขาไปอยู่องั้นพระพุทธเจ้าบอกให้เราดูว่าความไม่สบายใจของเรานี้เกิดจากอะไรเกิดจากความอยากอยากอยากแล้วไม่ได้ทังใจอยากก็เลยทำให้เราทุกข์กันไม่ใช่เพราะอะไรหรอก แต่พอเรารู้ว่าสิ่งที่เราอยากได้นี้เราไม่สามารถทําได้ก็เปลี่ยนจะเปลี่ยนใจเสียไม่ไม่ไม่อยากเสียพอไม่อยากแล้วสิ่งที่เราไม่สามารถไปทําให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ก็จะไม่มาทําให้เราเดือดเดือดเลือร้อนใจทําให้เราไม่ต้องมาเสียใจไม่สบายใจะ ความไม่สบายใจของเราเกิดจากความอยากของเราอยากในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าบอกอยากในอยากให้สิ่งที่ไม่เที่ยง ม, มันเที่ยงเช่นมีอะไรก็อยากจะให้มันดีไปตลอดอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้ของทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงมีการเสื่อมซื้ออะไรมาเนี่ยใช้ไปสักพักก็เดี๋ยวมันก็เริ่มเสื่อมเริ่มเสีย เริ่มขาดเสื้อผ้านี่ซื้อมาใหม่ๆก็สวยใส่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวสีมันก็จางเดี๋ยวมันก็ขาดจะให้มันเหมือนวันแรกที่เราซื้อมาไม่ได้รถยนต์ก็เหมือนกันเครื่องใช้ไม้สอยอะไรต่างๆที่เราซื้อมาเนี่ยมันต้องเสื่อมถ้าเราอยากให้มันไม่เสื่อมเราจะไม่สบายใจเวลามันเสื่อมเหตุเราต้องมองความจริง มองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้มันจะต้องเสื่อมไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเช่นร่างกายของเรานี่มันก็ต้องเสื่อมสักวันหนึ่งมันก็ต้องแก่มันก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วมันต้องตายไปถ้าเราไม่สบายใจกับความแก่ก็เพราะเราอยากไม่แก่ถ้าเราไม่สบายใจกับความเจ็บไข้ได้ป่วย ก็เพราะว่าเราไม่อยากจะเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเราไม่สบายใจกับความตายก็เป็นเพราะว่าเราไม่อยากจะตายแล้วเราไปความอยากไม่เป็นความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี้ทำให้น่างกายมันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายหรือเปล่าน่างกายมันก็แก่เจ็บตายของมันไปตามเรื่องของมันแต่ความอยากของเรานี่แหละที่ทำให้เราไม่สบายใจ ไม่ใช่เพราะว่าความแก่หรือความเจ็บหรือความตายที่ทำให้เราไม่สบายใจเพราะคนที่เขาไม่มีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเขาไม่เขาไม่รู้สึกอะไรกับความแก่ความเจ็บความตายนี่คือการใช้ปัญญาเวลาใดที่เรามีความไม่สบายใจกับสิ่งใดกับเรื่องใดกับอะไรก็ตามเนี่ย ลองไปถามตัวเองด้วยเรากำลังอยากใช่ไหมอยากได้สิ่งนั้นใช่ไหมพอไม่ได้ก็ไม่สบายใจอยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นใช่ไหอย่างนี้ใช่ไหมพอไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่สบายใจอยากให้ลูกไม่ติดยาเสพติดแต่ลูกก็ติดยาเสพติดก็ไม่สบายใจเราไปทำให้ลูกไม่ติดได้หรือเปล่าก็ทำไม่ได้ ก็จะไม่สบายใจไปเรื่อยๆทุกครั้งที่คิดถึงลูกทุกครั้งที่เห็นลูกก็จะไม่สบายใจใ<ช>แต่ถ้าเรามองความจริงแล้วยอมรับความจริงว่า เ, าเขาต้องติดยาเสพติดเพราะนี่มันเป็นธรรมชาติของเขา<ช> <ๆ S 2> เขาเป็นเหมือนส้มอย่างนี้แล้วเราอยากให้เขาเป็นกล้วยได้ป่ะอยากเปลี่ยนส้มให้เป็นกล้วยได้ป่ะ<ช> <ๆ S 2> คนเรานี่ก็เป็นเหมือนผลไม้เชื่อไม บางคนก็ดีบางคนก็ไม่ดีบางคนก็ติดสุราบางคนก็ไม่ติดสุราบางคนก็ติดยาบางคนก็ไม่ติดยาแล้วจะไปเปลี่ยนคนที่เขาติดสุราไม่ให้เขาติดสุราได้ไหมไปเปลี่ยนคนที่เขาติดบุหรี่ไม่ให้เขาติดบุหรี่ได้เปล่าน uh> ี่ก็เหมือนกับไปเปลี่ยนให้กล้วยเป็นส้มได้ป่าเปลี่ยนให้ส้มให้เป็นกล้วยได้เป่เปลี่ยนไม่ได้ ทำไมเราไม่ไปเปลี pues mm ่ยนให้ซ่อมเป็นกล้วยล่ะเพราะเรารู้ว่าเปลี่ยนไม่ได้แล้วทำไมเราอยากจะไปเปลี่ยนให้คนที <building that S 2> <K> ่ติดยาไม่ให้ติดยาเปลี่ยนได้หรือเปล่าแล้วเปลี่ยนไม่ได้หรอเขาต้องเปลี่ยนเขาเองถ้าเขาอยากจะเปลี่ยนเขาเปลี่ยนได้ถ้าเขารู้ว่าการติดยาไม่ดีเขาก็ต้องเปลี่ยนตัวเขาเองแต่เราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้แล้วไปอยากให้เขาเปลี่ยนมันไม่ได้ทาให้เขาเปลี่ยน มันทำให้เราทุกไปเปล่าๆทำให้เราไม่สบายใจไปเปล่าๆนี่คือวิธีที่จะแก้ความไม่สบายใจอย่างถาวนต้องแก้ด้วยปัญญาต้องมองความจริงมองทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันเป็นเหมือนธรรมชาติเหมือนเหมือนลมพัดอย่างเงี้ยเราไปสั่งให้ลมลมหยุดพัดได้ไหมเวลามันพัด เราไปสั่งให้ฝนหยุดตกได้ไหมเวลาฝนตกไม่ได้ฉันใดคนเราก็เหมือนกันเนี่ยคนเราก็เหมือนฝนฟ้าอากาศเหมือนลมเนี่ยเวลาเขาไม่ดีจะไปบอกไปทาให้เขาดีได้เปล่าเวลาเขาดีจะไปทําให้เขาไม่ดีได้เปล่าเขาก็ต้องเป็นไปตามเรื่องของเขาวันไหนเขาอยากจะดีเขาก็ดีวันไหนเขาไม่อยากดีเขาก็ไม่ดี เหมือนใจเราเนี่ยบางวันก็อยากดีก็ดีบางวันก็ไม่ดีแล้วควบคุมใจเราได้หรือเปล่าเวลามันไม่ดีบางวันมันผ่านไปทั้งวันเลยอะไรก็หงุดหงิดไปหมดเห็นอะไรก็หงุดหงิดรำคาญใจไปหมด <c oughs> ใจเรายังควบคุมมันไม่ได้เลยแล้วเราจะไปควบคุมใจของคนอื่นได้อย่างไร <c oughs> เราต้องเข้าใจธรรมชาติของใจของพวกเราทุกคนว่า มันเป็นเหมือนลมฟ้าอากาศดินฟ้าอากาศไปควบคุมมาค้ามันไม่ได้เสมอบางทีก็ควบคุมได้บางทีก็ควบ ค, มบ ค, บคุมไม่ได้ถ้ารู้จักถ้าฝึกฝนอบรมก็จะควบคุมได้ใจของเรานี่ควบคุมได้แต่อย่าง ifi, อื่นควบคุมไม่ได้ร่างกายนี้ควบคุมไม่ได้โกร่างกายนี้ห้ามไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันตายไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามของพระพุทธเจ้าก็ยังห้ามไม่ได้พระพุทธเจ้าห้ามได้แต่ใจของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าห้ามใจของพระพุทธเจ้าไม่ให้ทุกข์ได้ทำใจให้มีความสุขตลอดเวลาได้แต่ส่วนร่างกายนี้ห้ามมันไม่ได้ห้ามไม่ให้มันแก่ไม่ได้ห้ามไม่ให้มันเจ็บไม่ได้ห้ามไม่ให้มันตายไม่ได้ มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเช่นเดียวกับร่างกายของคนอื่นแล้วก็ไปห้ามไม่ได้คนอื่นเขาจะตายแล้วก็ไปทุกข์เช่นคนที่เรารักเวลาเขาจะตายนี่เราก็ร้องหม่มร้องไห้วุ่นวายใจกันกินไม่ได้นอนไม่หลับ ก, กันแล้วมันไปทำให้เขาไม่ตายหรือเปล่ามันก็ไม่ได้ไปทำให้เขาไม่ตายเขาก็ต้องตายอยู่ดีแล้วเราไปวุ่นวายทาไมวุ่นวายเพราะเราห้ามใจไม่ได้ ห้ามความอยากของเราไม่ได้ยังอยากให้เขาไม่ตายเราก็เลยทุกกันแต่ถ้าเรามาฝึกควบคุมใจกันมานั่งสมาธิกันทำใจให้นิ่งได้เวลาใจเราทุกเราก็สั่งให้มันหยุดทุกได้สั่งให้มันอยู่เฉยๆได้ให้มันหยุดผลิตความทุกข์ขึ้นมาได้ความทุกข์ใจเรานี่เกิดจากการผลิตของใจเราเอง เกิดจากความอยากความอยากเป็นผู้ผลิตความทุกข์ทางใจเราไม่สบายใจเพราะเราอยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้พอไม่เป็นเราก็เลยไม่สบายใจถ้าเราอยากสบายใจเราก็ต้องปล่อยให้เขาเป็นไปท้อ เ, เป็นอย่างนั้นก็ปล่อยเขาเป็นอย่างนั้นไปเขาติดยาเขาปล่อยเขาติดไปเขาติดบุหรี ì, ่เปล่อยเขาติดไปเขาติดโซดาก็ปล่อยเขาติดไป เขาติดเที่ยวก็ปล่อยเขาติดไปไม่ใช่เรื่องของเราสัหน่อยคนที่เสียหายไม่ใช่เราใช่ไหมคนที่เสียหายก็คือคนที่ติดนี่แหละติดสซลเดี๋ยวเขาก็ต้องติดเดี๋ยวก็ก็ต้องมีโครคภัยไข้เจ็บตามมาเดี๋ยวก็โรคตับแข็งก็จะตามมาโรคมะเร็งก็จะตามมาติดบุเรก็เดี๋ยวก็มีโรคปอดตามมานั้นไมนใช่เรื่องของเราเราไปห้ามเขาไม่ได้ พระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเรามองให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เราไปควบคุมบังคับไม่ได้ควบคุมบังคับได้บางเวลาเช่นร่างกายเราตอนนี้ยบังคับได้เวลามันหิวก็ให้อาหารมันได้เวลาหิวน้ำก็ให้น้ำมันได้ทำให้มันหายหิวได้ชั่วคราวแต่จะไปห้ามไม่ให้มันแก่ไม่ได้ห้ามไม่ให้มันเจ็บไม่ได้ห้ามไม่ให้มันตายไม่ได้ ดัน้นเราทําในสิ่งที่เราทําได้สิ่งอัไหนที่เราทําไม่ได้ก็ต้องยอมรับความจริงต้องปล่อยวางถ้าปล่อยวางแล้วใจเราจะไม่ทุกข์ใจเราจะมีความสุขอนีน่คือหน้าที่ของธรรมะธรรมะมีหน้าที่สอนใจให้รู้จักปล่อยวางให้รู้จักหยุดอยากเมื่อเราหยุดอยาก เราปล่อยวางได้แล้วเราจะสบายใจเราจะไม่ทุกข์กับคนนั้นคนนี้กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ทุกข์กับร่างกายของเราเราจะไม่เดือดร้อนเวลาร่างกายแกเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาร่างกายตายเราจะรู้สึกเฉยๆเพราะเรามีปัญญาเรารู้ว่าร่างกายเราเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา อันนี้จังคือไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องมันเป็นอันนี้จังแต่ว่าอันนี้ไม่เที่ยงกือความอันนี้จังอนัตตาก็คือเราไม่ไม่ใช่ของเราเราไปสั่งมันไม่ได้ไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ถ้าเราปล่อยวางให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันเราจะไม่ทุกข์กับมันที่เราทุกข์กับมันเพราะเราอยากจะไปเปลี่ยนมันอยากจะไปควบคุมบังคับมัน อยากจะบังคับให้ผิวมันตึงอยู่เรื่อยๆให้ผิวมันสะอาดอยู่เรื่อยๆไม่มีสิวมีฝ้าพอเกิดสิวเกิดฝ้าขึ้นมาใจเราก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเรารู้ว่าควบคุมไม่ได้สิวจะขึ้นฝ้าจะขึ้นก็ปล่อยมันขึ้นไปยิ่งถ้าเรารู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราเรายิ่งสบายใจใหญ่เราไม่รู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายกัน พระพุทธเจ้ารู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นเราเราเป็นผู้มาใช้ร่างกายผู้มาสั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆแต่เราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายนี้เป็นของพ่อแม่พ่อแม่สร้างขึ้นมาให้กับเราแล้วเราก็มารับมาเป็นของเล่นเหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่งเท่านั้นเองแต่เราไม่รู้เรากลับไปคิดว่าเป็นตัวเราเราก็เลยอยากจะให้มันสวยมันงาม อยากให้ผิวมันผ่องใสไม่มีสิวไม่มีฝ้าพอเกิดสิวเกิดฝ้าก็คิดว่าเรามีสิวมีฝ้าขึ้นมาความจริงไม่ใช่เราตุ๊กตาของเราต่างหากที่มีสิวมีฝ้าตัวเราไม่มีรูปร่างหน้าตาตัวเราเป็นผู้รู้ผู้คิดเท่านั้นเองเราใช้ความคิดนี้สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆก่อนที่เราจะมาที่นี่ได้เราต้องคิดกันก่อนคิดว่าวันนี้จะมาที่นี่ ผู้คิดเนี่ยเป็นผู้สั่งพอถึงเวลาก็สั่งให้ร่างกายออกเดินทางมาที่นี่ถ้าเรารู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็จะได้ไม่ไปเดือดร้อนกับมันถ้าเรารู้ว่าร่างกายของเราเหมือนกับร่างกายของคนอื่นเวลาร่างกายของคนอื่นเขาเป็นอะไรเราเดือดร้อนไหมเราไม่เดือดร้อนใช่ไหมร่างกายคนอื่นเขาจตายเขาจะเจ็บร่างกายของคนอื่นเขาจะสิวขึ้นฝ้าขึ้นเราก็ไม่เดือดร้อน เพราะเรารู้ว่ามันเขาไม่ได้เป็นเราร่างกายของเราก็ไม่ได้เป็นเราเหมือนกันเราไปเดือดร้อนทําไมเพราะเราไม่รู้เราไปหลงไปคิดว่าเป็นเราเท่านั้นเองนี่เราต้องเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ า, เามาสอนใจเราต่อไปนี้ว่าว่าร่างกายไม่ใช่ของเราร่างกายไม่เที่ยงอย่าไปอยากให้มันเที่ยงอย่าไปอยากให้มันเป็นของเราถ้าอยากแล้วมันจะทําให้เราทุกข์ ที่เราทุกข์กันไม่สบายใจกับร่างกายของเราเพราะเราไปอยากให้มันเที่ยงอยากให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการเช่นไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่มันเป็นไปไม่ได้เราต้องมองความจริงแล้วยอมรับความจริงเพื่อที่เราจะได้หยุดความอยากที่ทำให้ใจของเราทุกข์กันต่อไปนี้ต้องพยายามมองทุกอย่างว่าไม่เที่ยง ไม่ใช่ของเราเรามาตัวเปล่าๆ เ, เราไม่ได้เอาอะไรติดตัวมาใช่ไหมเวลาเรามาเกิด mm. พ่อแม่ของเราที่เราทิ้งไว้ในชาติก่อนแล้ว เ, เอามาไม่ได้สามีภรรยาทรัพย์สมบัติของเราที่เรามีอยู่ในชาติก่อนแล้ว เ, เอามาไม่ได้เรามาแต่ตัวเปล่าๆมาแต่ตัวรู้ตัวคิดนี้เท่านั้นเองแล้วเราก็มาได้สมบัติต่างๆในชาตินี้ใหม่ ได้ร่างกายแล้วก็ได้สามีได้ภรรยาได้ทรัพย์สมบัติได้อะไรต่างๆแล้วเดี๋ยวเวลาตายไปเราก็เอาไปไม่ได้ทักอย่างฉันพยายามมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีนี้ไม่ใช่ของเราเป็นของชั่วข่าวเป็นของเราชั่วข่าวเป็นเหมือนรถเช่าเราไปเช่ารถมาพอถึงเวลาเราก็ต้องคืนรถไปจ่ายค่าเช่า น, นี่คือความจริงที่เราไม่มองกันเราจึดทุกข์กันเพราะเวลาเราได้อะไรมาเราจะคิดว่าเป็นของเราพอเป็นของเราแล้วก็อยากจะให้มันเป็นของเราไปตลอดพอมันจากเราไปเมื่อไหร่เราก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีร้องโผมร้องไห้กันเวลาสูญเสียของที่เป็นของเราไปแต่ถ้าเรารู้ล่วงหน้าว่ามันไม่ได้เป็นของเราเราจะไม่ร้องหผมร้องไห้เพราะเรารู้ว่ามันจะต้องไป มันจะไม่ต้องจากเราไม่จากเป็นก็จากตายของทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้ต้องมีการจากกันไม่จากเป็นก็จากตายถ้าเรารู้ล่วงหน้าเราก็จะไม่ทุกข์เวลาต้องมีการพัดพากจากกันนี่คือธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าปัญญาถ้าเรามีปัญญาแล้วเราจะไม่ทุกข์กับอะไรเลยใจของเราจะมีแต่ความสบายไปตลอด เพราะไม่มีอะไรจะทำให้เราทุกข์ได้เพราะเราไม่ได้ถือว่ามีอะไรเป็นของเราทุกอย่างที่เรามีอยู่เดี๋ยวมันต้องจากเราไปถ้าคิดอย่างนี้แล้วเราจะมีความสุขแต่ต้องคิดทุกเวลาถ้าเผลอเมื่อไหร่มันจะไปคิดตรงกันข้ามทันทีอย่ง น, นต้องพยายามคิดอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งมันไม่ไปคิดว่าเป็นของเราถ้ายังมีความคิดว่ายังเป็นเรายังเป็นของเราอยู่นี่แสดงว่าเรายังหลงอยู่ เราต้องแก้ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ของเราไม่ได้เป็นของเราแล้วต่อไปใจของเราจะมีแต่ความสุขตลอดเวลาจะไม่มีความไม่สบายใจเลยจะมีแต่ความสบายใจเพราะความไม่สบายใจเกิดจากความหลงของเราเองหลงไปคิดว่าเป็นของเราก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา ขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนี้ไปพินิษ์พิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความสบายใจที่จะตามมาต่อไปขออนุโมทนายะท้าวาเววาาปุราปาริปุเรนติสาขังเอวเมวะอิโตคิ น, นังเปตางังอุ ป, ปการปฏิ อิชิตังปัตถ um ิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจัตุสาเภบุเรนตุสังกะปาจันโทปัญญาอะรโสยะธามณิโชติอะรโสยะธาสัพพิติโยเวหัจจันตุสัพพะโรโขวินะสตุ มาเตผวัตวันตาราโยสุขีทีคายยโกผวะอพิวาธนาสิลิตสดิจังวุธาปจายโนจตา ร, รธรรมาวะทานติอายุวันโอสุขังภาลางวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ ทางเฟ e b ุ o k สูงสุด417ย t u b บ124และวิทยุ3ค่ะห้าร้อยกว่ามีใครอยากจะถามไหยมีอะไรอยากจะถามถามได้ฝรั่งเขาไม่อายหรอกฝรั่ง <laughs> ต้องต้องไม่ถือว่าคนถามปัญหาโง่คนไทยเรามักจะคิดว่าถ้าถามนั้นแสดงว่างโง่ คนตทยเราจะไม่ค่อยกล้าถามปัญหากันไรไม่ค่อยรู้กันไรโง่กันเนี่ยโง่เพราะไม่กล้าถามคนที่ถามนั่นจึงจะหายโง่โง่ก็ยอมรับว่าโง่เสียงถามเพื่อให้หายโง่หรืเสียหายตรงไหนอาจารย์คะแล้วอย่างตัวว่าถ้าเรามีความอยากอะไรแล้วเนี่ยกรณีเราก็ตัดสินใจกันว่าตาไม่ไปดูหูไม่ไปแล้วใจก็ไม่เอาแล้วแต่ว่าพอตกลงกันแล้วเนี่ยเหมือนลุงมัดกันแล้วแต่ว่า มันจะมีตัวนิงมยำอยู่ในใจนะค่ะมันเหมือนมีมือเล็กอยู่ข้างในเลยค่ะถ้ามันไม่ยอมเลยตัวตัวนี้มันไม่ยอมตัวกิเลสไม่ยอมแต่ว่าพอไปถามมันจริงๆว่าจะอยากไปหรอแต่มันมันก็ไม่อยากไปแต่ว่าทาไมมันยังยิ้ก็มันยังอยากอยู่นี่ก็ต้องทําให้มันนิ่งเลยนั่งสมาธิไปนั่งสมาธิทําให้จิตสงบมันก็จะนิ่งนิ่งมันมีแต่ปัญญาแต่ไม่มีสมาธิ ปัญญารู้ว่าไปทำตามความอยากไม่ดีแต่ความอยากมันไม่ยอมหยุดมันไม่ได้หยุดด้วยปัญญามันต้องหยุดด้วยสมาธินั่งสมาธิให้จิตนวมเป็นอุเบกขานั่นแหละมันถึงจะหยุดจริงถ้าจิตยังไม่รวมมันก็อย่างนี้ยึกยักคิดยักของมันไปอย่างนี้เพราฉนั้นพยายามฝึกสมาธิเยอะๆปัญญารู้กันแล้วอันนี้จังทุกขังแลหน้าตา รู้แล้วว่าความอยากความทุกข์เกิดจากความอยากแต่ยังหยุดความอยากไม่ได้ต้องใช้สติหยุดมันพุทธโธพุทธโธยุดมันเอเวลามันยึกยัก ย, ยึก ย, ยักก็ใช้พุทธโธ ท, ท่องพุทธโธพุทธโธไปเดี๋ยวมันก็หายยึกยักทางบ้านมีคำถามไหมไม่มีค่ะาาทางบ้านแล้วกันเมื่อ ที่นี่ไม่มีใครอยากจะถามถ้ามาอยู่ที่บ้านถามมันได้เลยส่งข้อความกันเข้ามาได้ แ, ต, มมด แ, แต่ว่อยู่ที่นี่ไม่กล้าพูดสักคนนะกลัวจะออกอากาศเลยคาถามจากคุณเอค่ะการทําบุญระหว่างการถวายของกับพระอรหันต์หนึ่งรูปกับการถวายเพลพระที่ศีลอาจไม่สมบูรณ์เก้ารูป แต่มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระประธานโดยใช้พระพุทธรูปเป็นตัวแทนการทําบุญแบบไหนได้อ น, นิสงฆ์มากกว่ากันคะมันไม่ได้อยู่ที่คนรับก็ใช่ไหมอ น, นิสงฆ์คือการทําบุญอยู่ที่อยู่ที่ปริมาณที่เราทําทํามากก็ได้มากทําน้อยก็ได้น้อยเช่นเราลองทําบุญน้อยบาทกับทำบุญพันบาทดูความรู้สึกจะต่างกันไหยความสุขใจใจะต่างกันไหม ทำร้อยบาทกับทํำพันบาทเนี่ยนั่นแหละมันอยู่ที่นั่นคือบุญเนี่ยส่วนประโยชน์นี้ที่คนรับจะทําให้กับเราเนี่ก็อยู่ที่ว่าคนรับนี่เป็นคนระดับไหนเป็นคนระดับสูงแล้วระดับต่ำต่ำด้วยปัญญาถ้าต่ำด้วยปัญญาก็เหมือนเหมือนพวกเราทํางานกับกรรมกรเนี่ยคนที่ทํางานขั้นแรงขั้นต่ํามันละสามร้อย เขาจะทำอะไรได้เขาก็แบกหามให้เราเท่านั้นเองใช่ไหมเราแต่ถ้าเราไปทํากับคนที่เขาระดับผู้บริหารเขาทํางานเดือนละแสนนี่เขาก็ไปสามารถทำทำงานทาอะไรที่มีประโยชน์ได้มากกว่าการที่เราสนับสนุนการให้ให้ทานกับเขาก็เหมือนกันเราสนับสนุนเขาใช่หให้ให้อาหารกับพระพระจะได้มีแรงใช่ อย่าเรานี้ก็ต้องกินมาเช้านี่ถ้าไม่ได้กินแล้วเราก็จะมีมีแรงมาพูดธรรมะตอนนี้เหรอแต่ทําไมมีเรามาพูดคนเดียวภาพวินญาบ่ายกันเราต้องสิบกับลูกตามภาพอีกสิบกับลูกไม่ได้มาพูดเพราะเขาไม่เขาไม่พูดไม่เป็นเขายังไม่มีความรู้จะพูดยังทำบะใส่บาต ด, ด้วยกันสิบห้าคนเนี่ยแต่สิบห้าคนนี้ทําประโยชน์ต่างกัน เพราะความสามารถของแต่ละคนไม่เท่ากันแต่ต้องกินเหมือนกันนะใช่ไหมจะเป็นพระอรหันต์หรือจะเป็นพระที่ยังศีลไม่บริสุทธิ์ก็ยังต้องกินข้าวเหมือนกันก็ต้องให้ก็ต้องใส่บาตรให้ทุกคนแต่คนที่จะมาทำประโยชน์นี้มันมันอยู่ที่ความสามารถของแต่ละคนเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้คนที่เขามีความสามารถทำประโยชน์ เราก็ต้องสนับสนุนคนที่มีความสามารถถ้าเราไปสนับสนุนคนที่ไม่มีความสามารถเขาก็ไม่มาทำประโยชน์ที่เราต้องการให้เขาทำได้งั้นก็ต้องแบ่งเป็นสองส่วนประโยชน์ของผู้ให้กับประโยชน์ของผู้รับเนี่ยผู้ให้ได้ประโยชน์เพราะได้เสียสละเงินทองได้เสียสละข้าวของอาหารให้แก่ผู้อื่นไปพอเสียสละไปแล้ว ใจก็เกิดความสุขขึ้นมาจะสุขมากก็สุขน้อยก็อยู่ที่ให้มากหรือให้น้อยให้มากจะสุขมากใช่ไหมใส่บาตรกับพระรูปเดียวกับใส่บาตรพระสิบห้ารูปนี้เะริญรู้สึกมีความสุขต่างกันไอมไม่เชื่อลองทำดูก็ได้พรุ่งนี้ไปลองใส่สักสิบห้ารูปดูแล้วมาเรือนี้ไปใส่รูปเดียวดยวูแต่ถ้าของเท่ากันก็จะได้ความสุขเท่ากันถึงแม้ว่าจะใส่รูปเดียวแต่ให้สิบห้า ของที่จะให้สิบห้ารูปไปให้รูปเดียวก็ได้อย่างนี้มันก็ได้ความสุขเหมือนกันเพราะเราเสียของไปเท่ากันเสียของเสียจํานวนเขาเข้าของไปเท่ากันอันนี้เกิดจากผู้ให้ผู้ผู้ให้ได้รับประโยชน์อย่างนี้ส่วนผู้รับจะไปทําประโยชน์ให้กับเรานี้อยู่ที่ว่าเขามีความสามารถมากน้อยถ้าไปให้กับคนที่มีความสามารถมากเช่นไปให้พระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ สามารถสอนคนให้เป็นพระอรหันต์ได้เยอะแยะเลยแต่ถ้าไปสอนคนที่เพิ่งบวชใหม่ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวไปไปไปนี้ไ ป, ไ ป, ไปทำบุญกับคนที่เพิ่งบวชใหม่เขาจะไปทําประโยชน์อะไรได้ตัวเขาเองก็ยังทําประโยชน์ให้กับตัวเขาเองไม่ได้เขาก็จะไม่สามารถทําประโยชน์อะไรให้กับใครได้คําถามจากคุณเบนนี่เมธ อยากกลับยนถามพระอาจารย์ว่าถ้าเจอคนที่ว่าเราโดยที่เราไม่ผิดหรือตำหนิเพราะความต้องการของเขาความต้องการมากมายของเขาค่ะอยากให้เราทำอะไรเกินความสามารถที่เราจะทำได้เราควรทำอย่างไรคะก็คิดว่าเขาเป็นเหมือนคนตาตาบอดหูหนวกก็แล้วกันมองไม่เห็นไม่ได้ยินมองไม่เห็นความจริงความจริงเป็นอย่างนี้แต่มองไม่เห็นก็ถือว่าเป็นเหมือนคนตาบอด แล้วเราจะไปโกรธคนตาบอดหรือเปล่าเวลาเขาเข้ามาว่าเราว่าทําไมทําไมไม่นั่งทั้งๆที่เรานั่งอยู่แล้วก็มาว่าเราทําไมไม่นั่งอย่างเงี้ยแล้วเราจะไปโก้ไปโกรธคนตาบอดทําไมเมื่อมันตาบอดมันก็มองไม่เห็นก็คิดว่าเรายืนเงี้ยมันก็คิดว่าเรายืนนั่นก็มันก็บอกว่าทำไมไม่นั่งคุยกับเขาทําไมยืนคุยกับเขาก็อย่างเนี้ยก็เราทําถูกแล้วแต่เขามาว่าเราทําผิดอย่างเงี้ยก็เรื่องของเขาเนี่ยเราไปห้ามเขาได้มรือล่า เราอยากจะว่าเราทําผิดก็เรื่องของเขาเราดูที่ว่าเราทําถูกแล้วผิดก็พอใช่ไหมถ้าเราทําถูกแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องไปทําอะไรถ้าเราทําผิดเราก็ต้องแก้ไขเราก็ต้องยอมรับว่าแสดงว่าเขาตาดีเราทําผิดแต่เราคิดว่าเราทําถูกแล้วเขามาบอกว่าเราทําผิดแล้วเราตรวจดูอีกทีเออจริงนเราทําผิดนี่เราต้องขอบใจเขาอย่างั้นไม่ว่าใครก็จะว่าเราอย่างไรเนี่ยเราอย่าไป นี่อารมณ์กับการว่าเรามาฟังว่าสิ่งที่เขาพูดนี้จริงหรือไม่จริงเป็นคุณหรือเป็นโทษกับเราเอาตรงนี้ดีกว่าถ้าสิ่งที่เขาว่าเราแล้วเป็นคุณถ้าเราไปทำตามที่เขาบอกแล้วจะทำให้เกิดประโยชน์เราก็ควรจะขอบใจเขาหรือถ้าถ้าเราได้ยินแล้วถ้ามันเป็นโทษกับเราแล้วเราไปเปลี่ยนแปลงไปทำแล้วมันทำให้โทษนั้นหายไปก็แสดงว่าเขาเขาหวังดีกับเรา ความที่แม่เขาจะว่าเราแต่เขาว่าเพื่อให้เราได้ดีให้เราปลอดภัยอย่างเงี้ยเช่นเขาเห็นเราใช้เครื่องสําอาญายี่ห้อนี้เขาบอกอย่าใช้เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นมะเร็งได้เงี้ยออย่างนี้จะว่าเขาไหมก็เขาหวังดีอ่ะถ้าเราไม่พอใจแล้วถ้าเราไม่อยากใช้เขาพูดอะไรแต่เราก็ต้องมองว่าเราห้ามเขาไม่ได้ในเมื่อเราอยู่ในโลกด้วยกันก็ต้องได้ยินเสียงของคนนั้นคนนี้เขาก็ต้องพูด ห้ามเขาไม่ได้ถ้าอยากจะให้ใจเราสบายก็ขอให้เราคิดว่าเป็นเสียงนกเสียงกาไปก็แล้วกันเย่างนั้นเนี่ยเสียงนกมันพูดเจิบเจ็บเจ็บเจ็บนี่เราเราเดือดร้อนไม่เดือดร้อนแต่พอคนอื่นพูดเจิบเจบเจ็บเจ็บนี่ขึ้นมาเดือดร้อนขึ้นมาทันทีเพราะเราอยากไม่ให้เขาพูดอยากไม่ให้เขาตําหนิอยากไม่ให้เขานินทาเราที่พระเจ้าสอนว่าเราอยู่ในโลกที่มีสรรเสริญมีนินทามันมาด้วยกันมัน มันเป็นมาเป็นคู่มีสรรเสริญมันก็มีนินทาบางวันเขาก็สรรเสริญเราบางวันเขาก็นินทาเราเราต้องทำใจยอมรับกับการสรรเสริญนินทาแล้วเราก็จะไม่วุ่นวายใจถ้าจะฟังคำพูดของเขาก็ฟังฟังว่ามันจริงหรือไม่จริงมีเหตุมีผลหรือไม่ถ้าเขาบอกว่าเราทำนี้ไม่ถูกแต่เราพิจารณาแล้วเราถูกแล้วก็แล้วไป เป็นความเห็นของเขาความจริงมันถูกแต่เขาเห็นว่าไม่ถูกก็เรื่องของเขาก็ไม่ต้องไปโมโหเขาไม่ต้องไปตอบโต้เขาก็เฉยเฉยไปก็บอก่อยขอบคุณครับขอบคุณข้าครั้นี้ก็จบเอส่วนเราจะทําไม่ทำมันเป็เรื่องของเราอ่ใช่ไหมแต่เราห้ามเขาพูดไม่ได้โดยเฉพาะคนที่เป็นผู้ใหญ่เช่นพ่อแม่เรานี้บางทีก็พูดแต่มันไม่ถูกก็มีเดี๋ยเราไปเฉียงมันก็ไม่ถูกอย่านี้ เราไปโกรธพ่อโกรธแม่ก็ไม่ถูกนีเราก็ต้องเฉยให้เขฟังไปฟังแล้วเราก็มาดูว่าจริงหรือเปล่าสิ่งที่เขาพูดนี้จริงหรือไม่จริงถูกก็ไม่ถูกแต่เราไม่ต้องไปเถียงไม่ถูกก็ไม่ต้องไปเถียงเพราะไหนทาหน้าของลูกไม่ควรเถียงพ่อแม่ไม่ควรเถียงผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ควรเถียงครูบาอาจารย์ถึง แ, แม้ท่านจะผิดก็เรื่องของท่านท่านมีหน้าที่สอนก็ปล่อยท่านสอนไป แสดงว่าปัญญาของท่านน้อยกว่าเราท่านนั่นเองแต่ไม่ควรจะมาโกรธกันเพราะพ่อแม่ครูบาอาจารย์กับลูกศิษยน์นิลักษณ์กันมีความหงหุหงิดต่อกันแต่ต้องมาทะเลาะกันมาเกลียดกันเพราะความหวงใดหงิดอันนี้ก็ไม่ควรเพราะมาเถียงกันยังไงเวลาผู้หลับผู้ใหญ่เขาพูดอะไรเราฟังอย่างเดียวไม่ควรจะเถียงถูกผิดเรามาคิดพิจารณาโดยอีกทีหนึง่ง ถ้าถูกก็ไม่ไม่ก็ทำตามที่เขาว่าไปถ้าผิดก็ไม่ต้องทำตามที่เขาว่าไม่ไม่เสียหายพ่อแม่ให้เราทำแต่เรารู้ว่าสิ่งที่เขาให้เราทำมันผิดเช่นเรามีแฟนแล้วพ่อแม่บอกว่าทิ้งคนนี้เถอะไปมีคนนี้อนนี้มันจนเอาเอคนดีกว่ารวยกว่านี่อย่างนี้ก็ไม่ต้องทำตามก็ได้เข้าใจไหม ไม่เสียหายการไม่ทําตามคําสอนของพ่อแม่ของครูบาอาจารย์ไม่เสียหายแต่ไปเถียงนี่ไม่ถูกเท่านั้นเองเวลาจะทําไม่ทํานี่ดูว่าสิ่งที่เขาสอนนี่ถูกหรือไม่ถูกถ้าไม่ถูกก็ไม่ต้องทำตามก็ได้คําถามจากคุณถ้วยฟูที่ทางพราหมณ์เขาเชื่อกันว่าพระนารายสามารถแต่งจิตออกมาเป็นหลายดวงลงมาเกิดได้ในทางพุทธของเราเป็นจริงหรือไม่ครับ จิตมันแตกไม่ได้หรอกจิตมันตัวเดียวมันไม่มีวันแตกแต่มันไปเกิดเป็นหนอย่างได้ไม่ใช่ทีเดียวพร้อมกันชาตินี้เป็นพรมหรมีชาติหน้าเป็นเป็นเทพก็ได้ต่อไปเป็นเปรตก็ได้จิตมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามบุญตามกรรมที่ทําไว้แต่จะเป็นทีเดียวพร้อมกันนั้นไม่ได้จะเป็นทั้งพรมเป็นทั้งเทพเป็นทั้งเปรตพร้อมๆกันในทีเดียวนั้นเป็นไปไม่ได้มันต้องเป็นทีละอย่าง คำถามจากคุณบุญณีสีบุญเรืองกลับมัสการถามพระอาจารย์ครับกัญาณมิตรบอกเลขมือถือผมไม่ดีให้เปลี่ยนเบอร์ใหม่ในส่วนตัวผมไม่เชื่อผมยึดการกระทำดีชั่วผมไม่ยอมเปลี่ยนเพราะศาสนาพูดไม่เคยสอนเรื่องแบบนี้ผมคิดถูกใช่ไหมครับพระอาจารย์ถูกแล้วดีชั่วอยู่ที่การกระทำของเราอยู่ที่บุญหรือบาปคำถามจต่คุณสมรงเจริญวันถามอะไรเคะ หนึ100่งร้อยกับหนึ่งพันอายุงทาบุญร้อยหนึ่งกับหนึ่งพันนี่มีความรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่าเท่ากันหรือเปล่าค น, นระ า, 100ระา100อ๋อนี่ไม่ได้พูดคนสองคนพูดคนเดียวตัวเราเนี่ยตัวเราคนเดียวเนี่ยนี่พูดถึงกรณีเราคนเดียวไม่ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นถ้าเราเราเราทำร100้อยกับทํำพันอย่างเงี้ยมันความรู้สึกมันต่างกันเพราะเราต้องเสียมาก เสียมากมันก็แสดงว่าเรายินดีที่จะเสียแล้วก็จะมีความสุขมากแล้วถ้าทํารอยแบบแล้วอิ่มแต่ทำพันหนึ่งแล้วเสียดายนิดนึงรู้สึกเสียดายมีมีทางเสียดายบ้างก็แสดงว่าเรายังสู้กิเลสไม่ได้กิเลสมันทําให้เรารู้สึกเสียดายแล้วเราต้องทำสองพันเลยดูมันยิ่งเสียดาย <c oughs> <c oughs> ถ้ามึงยังเสียดายอยู่ทำพันไปเลยเดีย๋ยวมันก็ไม่กล้าเสียดายเองอ่ะวิธีดัดกิเลสเขานี่ไหมแต่ถ้าสองคนนี่มันดูปริมาณเงินไม่ได้มันต้องดูจํานวนของสัดส่วนที่เขามีอยู่ร้อยเท่าไหร่คนที่ทําร้อยละสิบสองคนนี้อาจจะจํานวนกันไม่เท่ากันแต่บุญได้เท่ากันเพราะสัดส่วนเท่ากันเช่นคนมีหมื่นหนึ่งทำพันหนึ่ง ก็ร้อยละสิบใช่ไหมคนมีแสนทำหมื่นหนึ่งก็ร้อยละสิบเหมือนกันก็จะมีผลต่อจิตใจเท่ากันก อ, อ, กอ่าใช่ดูจํานวนของเราที่เรามีอยู่สละออกไปสัดส่วนที่เรามีอยู่นี่เราเ ส, สียสละไปเท่าไหร่เสียสละมากก็จะได้ความรู้สึกที่มีความสุขมากแต่ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นไม่ได้นะถ้าเปรียบเทียบของหนึ่งต้องดูที่สัดส่วนอย่าไปดูที่จํานวนเงิน ก็ลองดูสิฮ่าฮ่าุ <laughs> ยังเสียดายก็ <laughs> ดูสิว่ามันจะก้าวเสียดายหรือเปล่าถ้าคุณยังเสียดายอย่างเพิ่มเงินไปเรื่อยๆอย่างนี้เดี๋ยวมันก็หายเสียดายอย่างแต่การจะทําได้มากมันต้องดูว่ามันไม่เที่ยงเงินทองนี่ลายไปก็ออกไปไม่ได้ถ้าเก็บไว้แล้วไม่ได้ใช้มันก็ไม่เป็นประโยชน์กับเรา ถ้าใช้แล้วมันก็กลายเป็นบุญที่เร า, เาไปได้ถ้ากินอย่างนี้แล้วมันจะทําได้มากมันจะไม่เสียดายคนรู้ว่าเพราะทําบุญไม่ได้เสียไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้สูญเสียอะไรได้กําไรได้บุญไปได้ทรัพย์ภายในไปเหมือนเราไปเมืองนอกนี่เราเอาเงินบาทไปหรือเปล่าไม่ไปนยเราต้องแากเงินดอนใช่ไหมมีเงินบาทเท่าไหร่ก็ต้องลแลกเงินดอนไปให้หมดเพราะจะได้ไปใช้ได้เวลาเราตายไปก็เหมือนไปเมืองนอ ก, นอก เราไปโลกทิพย์เวลาที่เราตายเนี่ยจิตเราจะไปโลกทิพย์แล้วโลกทิพย์นี้เขาใช้บุญเป็นเงินกันซื้อของด้วยบุญอย่างถ้าเราเปลี่ยนเงินที่เราไม่อยู่นี่เป็นบุญเราก็จะได้เอาเงินไปใช้เอาบุญไปใช้ในโลกทิพย์ได้ถ้าเราเิดอย่างนี้เราก็จะยินดีทำบุญเต็มที่เลยจะเก็บไว้เท่าที่จำเป็นเท่านั้นเองคาถามจากคุณสมทรงจรันวันอายุเกินหกสิบปีสมัยนี้ยังสามารถกลับมาบวชได้ไหมครับ ได้เพียงแต่ว่าธรรมเนียมคือมันไม้แก่ดัดยากไม้อ่อนมันดัดง่ายเพราะการบวชนี้เป็นการมาฝึกฝนอบรมนิสัยถ้าอายุมากนี้นิสัยมันจะมันจะฝังลึกมันจะแก้ยากแต่ถ้าคนที่มีธรรมะมีปัญญาเขาจะรู้แล้วเขาจะไม่เป็นปัญหาเลยเขาจะแก้นิสัยเขาได้แต่ถ้าคนไม่รู้บวชเพราะบวชตามธรรมเนียมตามประเพณีเนี่ย มันยังจะยึดติดอยู่กับ น, นิสัยเดิมแล้วจะลาบากจะมาเรียนมามาแก้ไขนิสัยว่าการบวชเรียนนี้เพื่อมาฝึกผลนิสัยใหม่นันจะแก้ยากแล้วจะจะทุกทรมานมากฝ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งวัายุมากนี่มันมันลําบากการบวชนี่มันถ้าบวชจริงๆนี่มันไม่ได้บวชเพื่อให้ร่างอยู่อย่างสบายทางร่างกายเนี่ยบวชนี่ นักบวชจริงๆก็ถือธุดงควัดกันฉันงมือเดียวบินทบาทเดินบินทบาทก็ไกลเดินทีละสามสี่กิโลถ้ามีอายุหกสิบมาบวชนี่มันทำไม่ได้แล้วมันไม่เคยทำแต่ถ้าเคยทำมาตั้งแต่อายุยี่สิบเนี่ยมันถึงแม่อายุเจ็ดสิบแปดสิบมันก็ยังทำได้อยู่เพราะมันสุดมาจนกระทัง่งมันชำนาญมันเป็นนิสัยไป การบวชตอนแก่จริงได้ประโยชน์น้อยหรือได้ประโยชน์ยากนอกจากเป็นคนที่มีศรัทธาจริงๆแล้วมีความตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติจริงๆท่านเถ้าจะมาบวชเพื่อเป็นธรรมเนียมแล้วเขาก็ถือว่ามาอาศัยวัดอยู่แก่แล้วลูกหลานทิ้งหมดแล้วไม่รู้จะอยู่ที่ไหนก็เลยมาบวชแล้วก็มาให้พระเนรยม่ในวัดมาคอยเลี้ยงดูอีกทีเดี๋ยวก็ไม่สบายบิณฑบาตก็ไม่ได้ เดี๋ยวก็ต้องไปหาหมอแล้ลองพาส่งเข้าโรงพยาบาลกลายเป็นภาระกับผู้อื่นไปก็ถึงไม่ได้ก็ถึงไม่ได้ยอมบวชตอนแก่กันนอกจากว่าถ้าบวชตอนแก่แล้วสามารถทำตัวเหมือนพระตอเป็นตอนเหมือนพระหนุ่มได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรยังมี ม, มีมีพระอยู่รูปหนึ่งท่านเป็นหมอท่านเขียนอายุเจ็เกือบเจ็ดสิบแล้วมนะั้งเจ็ดสิบแล้วเนี่ยมาบวช แต่ท่านทําตัวเหมือนคนหนุ่มนะทำทุกอย่างได้เหมือนกับพระโบสถใหม่พระหนุ่มบิณฑบาตได้ทําอะไรได้เองทุกอย่างถ้าบวชอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วปฏิบัติทั้งวันด้ยเดินจงกรมทั้งวันถ้าอย่างนี้ก็ไม่เป็นปัญหาเลยคําถามจากคุณอุกกับเรียนถามพระ อ, อาจารย์ค่ะ บุญที่ได้จากการกระทำความดีแต่ละอย่างเท่ากันไหมคะเช่นอาชีพหมอผ่าตัดคนไข้ครูสอนหนังสือคนสร้างบ้านให้ผู้อื่นอยู่ขอบพระคุณค่ะก็มันยังอยู่ถือว่าบุญอยู่ในระดับทานมันมันจะสู้บุญระดับศีลหรือบุญระดับภาวนาไม่ได้แต่แต่ในบุญระดับทานมันก็มีมากน้อยต่างกันอย่างที่เมื่อกี้พูดทำบุญร้อยบาทกับทาบุญพันบาท ยิ่เวลาเราทําประโยชน์ได้มากให้กับกายผู้อ่นได้มากก็ถือว่าเราได้ทําบุญได้มากกว่าเช่นถ้าเราเป็นหมอแล้วรักษาโรกภัยไข้เจ็บรักษาชีวิตนี่มันก็มีคุณค่ามากกว่าไ ป, าไปล้างลาง้ลางห้องน้ําล้างอะไรให้ของให้บ้านเขาอย่างนี้ประโยชน์มันไม่เท่ากันประโยชน์ที่เราทํามากกว่าบุญมันก็ต้องมากกว่าแต่มันจะเป็นบุญในระดับทานเท่านั้นเอง มันจะไม่สูงกว่าบุญที่จะเกิดจากการรักษาศีลหรือภาวนามันมีหลายระดับในแต่ระดับนั้นก็มีหลายหลายชั้นมีมากมีน้อยต่างกันทานก็มีมากมีน้อยต่างกันศีลก็มีมากมีน้อยต่างกันเังนั้นรักษาศีลนะได้สองข้ออีกคนหนึงเขารักษาได้สามข้อนี้เขาก็ต้องได้บุญมากกว่าเราการภาวนาเรานั่งสมาธิได้วันละชั่วโมงอีกคนนั่งได้สองชั่วโมงเขาก็ได้มากกว่าเรา บุญก็มีมีไม่เหมือนกันในแต่ระร ะ, ระดับะระดับทั้งสามนี้ก็มีความความมากน้อยต่างกันบุญที่ได้จากธรรมนี้น้อยกว่าบุญที่ไดจากการรักษาศีลศีลนี้ได้น้อยกว่าการภาวนาการนั่งสมาธิภาวนานั่งสมาธิได้น้อยกว่าการได้ปัญญาเ่มันก็มีอยู่สี่ระดับด้วยกั น, กนค่ะเขากลับเป็นถามอะค่ะเคยเคยอ่านหนังสือได้ยินมาว่า การที่เรามาเกิดในตัวตนปัจจุบันนะคะลองสภาว ะ, ะาจิตเดิมแท้เลค่ะก็จะมาติดตามมาด้วยทีนี้ทํายังไงที่เราจะแบบเดินทางไปถึงว่ากลับคืนสู่จิตเดิมแท้เพือติดมาคือจิตเหล่นี้จิตเดิมแท้อยู่แล้วเพียงแต่ตอนนี้มันมีบุญมีบาสมาหุ้มห่ออยู่เขา้าใจไหมเลยทำให้จิตเหล่านี้เป็นอะไรต่างกันไปเป็นเปรตเป็นเป็นผีเป็นปนรกเป็นเนรชาญเขาบาป เพราะมันมีบามาหุ้มหออยู่ให้เป็นถ้าเป็นเทวดาก็เพราะมีบุญมาหุ้มหอยอยู่ถ้าเป็นพรมก็เป็นเพราะว่ามันมีสมาธิมาหุ้มหออยู่ถ้าเป็นพระอริยเจ้ามันก็มีมีปัญญามาหุ้มหออยู่ะยั้นการที่เราจะกลับไปสู่จิตเดิมแท้ก็คือนิพพานเราก็ต้องมีปัญญามาหุ้มห่อจิตเรานี่ก่อนที่เราจะมีปัญญาได้เราก็ต้องมีสมาธิก่อนนะ ก่อนที่มีสมาธิได้าเราก็ต้องมีศีลก่อนก่อนที่เราจะไปรักษาศีลบวชได้เราก็ต้องทําบุญทําทานก่อนทระทรัพสมบัติเข้าของเงินทองก่อนยั้นก็ต้องทําตามที่พระเจ้าสอนอ่ะคือทําทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาแล้วต่อไปจิตของเราก็จะกลับไปสู่จิตเดิมก็คือนิพพานจิตที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีอะไรไม่มีอะไรมาหุ้มห่อให้ไปเป็นสัสตว์ต่างๆอีกต่อไป ไม่ไเป็นเทวดาไม่เป็นพรหมไม่เป็นมนุษย์ไม่เป็นเดราาัจฉานไม่เป็นเปรตไม่เป็นนรกวิธีคําสอนพระพุทธเจ้านี้คือวิธีกลับสู่สู่สภาพที่สะอาดบริสุทธิ์จะเรียกว่าจิตเดิมก็ได้จิตเดิมที่สะอาดบริสุทธิ์แต่จิตเดิมที่สะอาดบริสุทธิ์นี้ไม่มีจิตเดิมนี้เขาพูดถึงจิตที่สงบที่สะอาดบริสุทธิ์แต่บริสุทธิ์แบบชั่วคราว คือเวลาที่อยู่ในสมาธินี่เรากลับเข้าไปสู่จิตเดิมแต่มันเป็นจิตเดิมชั่วคราวพอออกจากสมาธิมากิเลสที่หุ้มห่ออยู่มันก็ยังมามีอิทธิพลต่อจิตของเราอยู่ดันั้นถ้าจะเป็นจิตเดิมที่บริสุทธิ์ที่แท้จริงต้องเป็นจิตนิพพานโดยต้องกาจัดความโลภโกรธหลงบุญบาป ท, ที่หุ้มห่อจิตใจให้มันหมดไปด้วยการปฏิบัติทานศีลภาวนา คําถามจากคุณน้อยๆห น, น่อยพระอาจารย์คะกลับมัฒการค่ะตอนนี้หนูมีปัญหาเรื่องความรักค่ะตัดเข้าไปจากใจไม่ได้สักทีทั้งที่เขาก็มีคนอื่นแล้วแต่เราอยังคุยกันเกือบทุกวันค่ะตอนนี้รู้สึกจิตตกมากค่ะก็ถ้าเป็นไปได้ก็พยายามอย่าอยู่ใกล้กันแยกกันอยู่แล้วถ้าแยกกันอยู่แล้วยังคิดถึงเขาก็ใช้คําบริกรรมหยุดคิดถึงเขา คิดถึงเขาที่ไรก็ท่องพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอถ้าใช้ปัญญาได้ก็คิดถึงเขาคิดถึงตับไตไส้ภูมิขาบ้างก็ได้คิดถึงอาการสามสิบสองของเขาเนี่ยายใต้ผิวหนังมีกระโหลกสีสัมไหมหน้าสวยๆเนี่ยข้างใต้หน้าสวยๆ น, น, น, นี่มีอะไรอยู่อก็มีกระโหลกใช่ไหอแล้วโครงกระดูกมีไหมเนี่ยที่โครงนีไหกระดูกแขนกระดูกขากระดูกอะไรเนี่ย เรามองส่วนนั้นของเขาดูบ้างแล้วมันก็จะทำให้เราไม่หลงไหลข้างใครไม่รักเขาคำถามจากคุณปาลมดิศยากับเรียนถามพระอาจารย์คุณพ่อฝากถามว่าคุณพ่อชอบดูฟุตบอลมากเวลาถือศีลแปดการดูฟุตบอลถือว่าผิดศีลไหมคะขอความเมตตาอธิบายให้คุณพ่อด้วยค่ะขอพระคุณค่ะเพิพ่อการถือศีลแปดนี้ต้องการให้เราหยุด กิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ว่าจะเป็นกีฬาหรือบันเทิงพราะมันเสียเวลามันอยากจะให้เอาเวลามานั่งสมาธิทําใจให้สงบ ก, การถือศีลแปดนี้เป็นเครื่องมือที่จะสนับสนุนในการที่เราจะได้มานั่งสมาธิกันเพราะถ้าเราไม่ถือศีลแปดเราก็จะทํากิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายได้เช่นถ้าถือศีลห้าก็ดูหนังฟังเพลงได้กินข้าวเย็นได้ไปงานเลี้ยงได้ไปทำอะไรต่างๆได้ นอนกับใครก็ได้นอนกับคู่ครองก็ได้แต่ถ้าทำอย่างนี้มันจะไม่มีเวลามานั่งสมาธิทำใจให้สงบถ้าเราอยากจะนั่งสมาธิเราก็ต้องถือศีลแปดเพื่อเราจะได้ไม่ไปทำกิจกรรมทางต า, งาหูจมูกลิน้นกายคำถามจากคุณนนสายทอง สอบถามคะ่ะพระอาจารย์ทุกครั้งขณะที่ดิฉันตั้งใจจะทำบุญและขณะเตรียมปัใจจัยใส่ซองไม่ว่าจะสำหรับถวายพระและมอบให้มูลนิธิหรือการบริจาคต่างๆมีความรู้สึกว่าตื่นเต้นซึ่งแยกแยกไม่ออกคะ่ะว่าเกิดจากอะไรทุกครั้งที่ทำบุญใจนึงก็เสียดายอีกใจนึงก็อยากทาเพื่อลดความตนีตามที่พระอาจารย์ได้เทศสอนประจำ ว่าเอาเงินที่จะไปเที่ยวหรือซื้อของที่ต้องการมาทําบุญดีกว่าแสดงว่าเรายังปล่อยไม่ขาดใช่ไหมคะอย่างนี้เราได้บุญกับสิ่งที่เรากําลังทําหรือเปล่าคะขอบพระคุณคะ่ะระหว่างที่เราจะทํานี้มันก็ยังมีกิเลสตันหาที่จะมาคอยต่ อ, ต, อต้านอยู่แต่ถ้าเราทําได้แล้วก็แสดงว่าเราชนะมันฉะนั้นเราก็จะได้บุญถ้าเราได้ทําเราก็ได้บุญแต่จะทํายากไม่อง่ายเท่านั้นเอง เพราะว่าอยู่ที่แรงต้านของกิเลสตัณหาแต่ถ้าเราทำบ่อยๆต่อไปแรงต้านมันก็จะน้อยลงไปคำถามจากคุณแมวบุญมีพระอาจารย์คะในเวลาที่เราสุขเราเห็นคนเห็นคนที่ลาบากทุกข์ยากก็จะรู้สึกสงสารเขามากแต่ในยามที่เราทุกข์ลาบากมากๆแล้วเราไปดูผู้ที่ลาบากทุกข์ยากกว่าเราแล้วรู้สึกดีขึ้นแบบนี้คือความเห็นแก่ตัวหรือสันดานดิบของมนุษย์ใช่ไหมคะ อ๋อไม่ใช่หรอมันเป็นการเปรียบเทียบเพื่อเราจะทาให้เรารู้ว่าความจริงเราไม่เลวร้ายกับคนอื่นบางทีใจเราหลอกเราเองว่าเราแย่มากแต่พอไปดูคนอื่นที่เขาแย่กับเราถึงจะรู้ให้เราไม่แย่มากเนี่นันอันนี้เป็นการเป็นเพียงการเปรียบเทียบเพื่อแก้ความเห็นที่ไม่ถูกถ้าเราวิ่งคนเดียวเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าเราวิ่งช้าหรือวิ่งเร็วใช่ ถ้าเราว kind of ิ่งสองคนนี่ยเราจะรู้ว่าเขาวิ่งเร็วกว่าเราหรือช้ากว่าเร็วอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเรามองตัวเราอย่างเดียวเราจะไม่รู้ว่าเราเราแย่หรือไม่แย่หรือเราดีหรือไม่ดีถ้าเราคิดว่าเราดีเราพอไปมองคนอื่นเฮ้ยเขาดีกว่าเราเนี่ยเราถือศีลห้าแต่เขาถือศีลแปดนี้เราก็รู้ว่าเรายังต้องทําเพิ่มอีกถ้าเราอยากจะดีขึ้นหรือว่าเราคิดว่าเราแย่เราพอไปมองคนอื่นที่เขาแย่ก่าเราบอกเฮ้ยเราก็ไม่แย่กว่าเราก็ไม่แย่มากนะ มันก็จะทําทให้เราสบายใจขึ้นคําถามจากคุณเต๋อชานชัยกลับมาพิ ก, การครับพระอาจารย์ผมลาออกจากงานแล้วพร้อมกับบอกลาแฟนเรียบร้อยแฟนก็บอกให้ไปบวชได้ถ้าผมไปหาพระอาจารย์ผมต้องเตรียมชุดขาวไปไหมครับแล้วต้องเตรียมอะไรบ้าง <c oughs> ทางบ้านเป็นชาวเขาครับไม่ได้นับถือพุทแต่กําเนิดแต่ผมศรัทธาต่อศาสนาพุทธ <c oughs> อยากบวชเพื่อปฏิบัติธรรมมากเลยครับขอพระอาจารย์เมตตาด้วยครับ เราต้องอธิบายฟังก่อนว่าเรานี่เป็นเป็นคนสอนธรรมะแต่เราไม่มีอำนาจในเรื่องของการรับพระรับเนรมาบวชที่ในวัดนี้อันนี้ต้องไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่คือเจ้าอาวาสของทางวัดเขาเขาจะรับหรือไม่รับนี่เราไม่สามารถที่จะไปบอกเขาได้แล้วจะมีที่อยู่ไม่มีที่อยู่นี่เราก็ไม่สามารถที่จะจัดให้ได้ เราเป็นเพียงแต่ลูกวัดคนหนึ่งสายวัดนี้เขาอยู่เองแต่ว่ามีคนมาชอบมาคุยมาฟังธรรมกับเราเราก็เลยมาพูดธรรมะให้ฟังกทนนั้นเองแต่เรื่องการบริหารวัดนี้เราไม่มีเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยใครจะมาบวชที่นี่เราบวชให้ไม่ได้ใครจะมาขออยู่ที่นี่เราให้อยู่ไม่ได้ต้องไปขอเจ้าว่าเขาจะให้อยู่หรือไม่ให้อยู่เขาจะบวชหรือไม่บวชนี่อยู่ที่เขา ้องทำทาทําความเข้าใจให้ให้รู้ก่อนเดี๋ยวทุกคนมุ่งมาที่เราแล้วเวลาจะไปติดต่อกับเจ้าวาดก็อย่ามาบอกว่ารู้จักเราถ้ารู้จักเราแล้วมันจะติดลบถ้ามันรู้จักเราแล้วมันจะไม่มันไม่ติดลบเอาบอกให้ก่อนเพราะเจ้าพี่ผ่านมาพอไปบอกว่ารู้จักเรานี่จะมีปัญหาขึ้นมาทันทีถ้าไม่มีถ้าไม่รู้จักเราแล้วรู้สึกว่าคล่องแคล่วสะดวก ไม่รู้เป็นยังไงแต่มันเป็นอย่างนี้ก็บอกให้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ว่าใครพูดตามประสบการณ์พูดตามความจริงถ้าใครมาว่าอ้างว่ารู้จักเราอาจารย์ส่งมาแล้วมักจะมีปัญหาถ้าบอกไม่รู้จักอาจารย์ไม่รู้จักใครเลยเนีย่เขาก็จะไม่มีปัญหาบอกให้รู้นะอันนี้เพียงแต่พูดตามความจริงพูดตามประสบการณ์ คำถามจากคุณวันวั น, วนกราบรมัสการพระอาจารย์ขอพระอาจารย์เมตตาให้ความกระจ่างทางปัญญาเรื่องการทําบุญให้ผู้ตายเจ็ดวันห้าสิบวันร้อยวันมันมีผลอย่างไรหรือมันเป็นแค่ความเชื่อเจ้คะ อ, อ๋อเป็นความเชื่อเพราะความจริงผู้ตายนี้ตายไปแล้วจิตเขาก็ไปตามกําลังของบุญของบาปของเขาแล้วถ้าเขามีบุญเขาก็ไม่ต้องมารอรับส่วนบุญที่เราจะส่งไปให้เขาพวกที่จะมารอรับก็คือพวกที่ไม่มีบุญติดตัวไปพวกที่ไม่เปลี่ยนกันนี่ พวกที่เดินทางไปต่างประเทศแบบกระทนหันแล้วไม่ได้มีเวลาเปลี่ยนเงินดอนให้เปลี่ยนเงินเอาเงินบาทไปใช้ไม่ได้เขาก็จะโทรสับ ม, มาบอกว่าพี่ช่วยส่งเงินดอนมาให้หน่อยนี่ก็คือพวกที่พวกที่มารอรับส่วนบุญเวลาเขาอยู่เขาประมาทเขาคิดว่าเขายังไม่ตายยังมีเวลาทําบุญเยอะๆไว้รอใกล้ตายแล้วค่อยทําตอนนี้ยังต้องใช้เงินอยู่ก็เลยไม่ยอมทาบุญ แล้วพออยู่ดีๆเวลาตายขึ้นมาเลยไม่มีบุญติดตัวไปพวกนี้เขาก็อาจจะมาเข้าฝันเรามาขอบุญจากเราแต่ถ้าเ็าไม่เข้าฝันเราก็ถือเป็นธรรมเนียมไปแล้วว่าใครตายไปก็ทำให้เขาไปจะมาขอหรือไม่ขอก็ส่งไปก่อนแล้วล่ะถ้าขอไม่รับ ก, ก็ไม่เป็นไรมันก็จะกลับมาหาเราหรือถ้าเราอยากจะให้ผู้อื่นต่อก็ได้เราก็บอกว่า เขาทิดบุญส่วนนี้ให้กับผู้ร้องรับไปแล้วชื่อนั้นชื่อนี้ถ้าเขาไม่รับก็แล้วแต่ใครที่รอรับอยู่อยากจะรับก็เอาไปได้ให้สัปปะสัตว์ทั้งหลายไปอย่างนี้ก็ได้ทําเผื่อไว้อย่างนี้เรียกว่าทําเผื่อไว้นี้ธรรมเดียมก็คือเขายังไม่อยากจะเผาร่างกายก็ยังเสียดายร่างกายอยางคนที่อยู่ยังคิดว่าถ้ายัางมีร่างกายยังเหมือนกับว่าเขายังอยู่กับเราเขาก็เลยไม่ไม่อยากจะเผาทันทีทันใด ก็เลยขอเก็บไว้ก่อนเก็บไว้แล้วทุกเจ็ดวันก็มาทําบุญสักครั้งสิบห้าวันมาทําบุญสักครั้งเดินมาทําบุญสักครั้งห้าสิบวันสักครั้งร้อยวันสักครั้งหนึ่งแล้วพอถึงร้อยวันก็ความยึดติดกับร่างกายนั้นก็อาจจะหมดไปแล้วทีนี้ก็พรที่จะให้เผาได้ก็เผาไปเอแต่ถ้าเรายินดีเช่าเผาตายช้าตายช้าเผาเย็นก็ได้มันยังไงก็ตายแล้วมันไม่กลับมาแล้ว ก็ทำได้แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนหมดลเวลาเอาอีกข้อนึงคาถามสุดท้ายเดี๋ยวขอขอถามที่เรื่องเมื่อกี้นะคะคือกรณีที่ผู้ที่เสียชีวิตเอไปเอไปทันทีอย่างเงี้ยคะจิตวิญญาณเข้ามาถึงว่าเขาเปลี่ยนภพเลยหรือเปล่าคะมัมีช่องว่างอ๋อก็เป็นไปตามบุญตามบาปที่เขาได้ทําไว้แล้วเขาเป็นอยู่ตั้งแต่เขายังไม่ตายภพของเขาเนี่ยเขาเขาเหมือนกับจองตั๋วไว้แล้วอ่ะภพชาตินี้เหมือนกับเรา ติดตัวไปแล้วพอถึงเวลาก็ไปถึงภพนั้นเลยถ้าเราทําบุญถึงเวลาก็ไปเป็นเทวดาเลยถ้าทํำบาปก็ไปเป็นเปรตไปเป็นอะไรเลยไ ม, ไม่ถึงว่าเวลาเ ม, มื่อเสียชีวิตนี่จิตออกจากร่างนี่เขาไปเลยไม่ต้องร อ, อพฤติกรรมในการต้องรอเผาหรือไม่เกี่ยวอ๋อก็ไม่รอแล้วไม่เกี่ยวแล้วแล้วก็วอร อ, อ, รอไม่ได้เขา อ, อยู่กับร่างกายนี้ไม่ได้แล้วเขาก็ต้องไปหาร่างกายใหม่หรือต้องไปรับผลบุญผลบาปที่เขาทาไว้ บุญกับบาปจะมาดึงเข้าไปบุญกับบาปจะดึงไปเลยนอกจากว่ า, าถ้าเขามีความรักความห่วงยยใยอะไรบางอย่างนี่เขาจะมีกำลังดึงสู้กับบุญได้บางคนยังห่วงใยก็กลับมาห่วงใยภรรยาก็กลับมาเป็นตุ๊กแกกลับมาเป็นจิ๊กจกเพราะอยากจะอยู่ใกล้ภรรยาแต่เกิดเป็นมนุษย์บรรชา้าต้องต้องก้าวเดิ น, นก็เลยเอาเป็นตุ๊กแกดีกว่าแต่พอกลับมาเป็นตุ๊กแกแล้วก็รู้ว่าครับ ภรยาจําเำ้าไม่ได้แล้วพอตัวแก่ตายไปเขาก็ไปแล้วเขาก็ปล่อยให้บุญให้บาปดึงไปแล้วแล้วอย่างอย่างกรณีที่ว่ามีบางครั้งที่บอกว่าเออมาเข้าฝันญาติพี่น้องว่าเออทำบุญให้เราอย่างนี้นแสดงว่าเขาไปเป็นอมตะิตกระแล้วอะไรประมาณนี้หรือป่าก็แสดงว่าเขาเป็นเปรกไงพวกที่มามาขอบุญเย่างนี้แสดงว่าเขาไม่มีบุญแต่ก็ไม่แน่เวลาเราฝันนี่อาจจะเราคิดไปก็ได้เราอาจจะมาเข้าก็ได้ แต่เพื่อความเพื่อความสบายใจก็คิดว่าเขาเข้ามาเราก็ทำบุญไปให้เขาไปแล้วกันแล้วนะวันนี้พอดีเวลาก็หมดพอดีเอาแค่นี้แล้นะก็ขอให้ท่านจนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปท่าน